วมื่าเชา้าท่านเทศเรื่องอำ น, นาจของทานค่ะเลยได้ทานเยอะเลยวันละทานกันทานให้เอาออกไป <c oughs> ไม่เอาเข้ามาทานคือ <c oughs> การใ ห, ให้เป็นการเอา <c oughs> มันมันต่างกั น, นเวลาทานเวลาทานเอาเข้าเนี่ยมันดีตอนเอาเข้าแต่พอมันมันไม่ได้แล้วมันก็จะเสียาจ เวลาทานเวลาพอออกไปนี้มันก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจในเบื้องต้นถ้ายังห่วงอยู่แง่ถ้ามันไปแล้วมันก็หมดภาระกับเราไปเราก็ไม่ต้องห่วงการให้ไม่ได้เฉพาะให้แต่เงินทองเข้าของอย่างเดียวให้ลูกก็ได้ให้สามีก็ ไ, ได้ให้ภนริกาก็ได้ <c oughs> ให้ไปเลย <c oughs> ให้เราสบายเดี <c oughs> ย๋ยวไม่เราหนักหนักอกหนักใจหรอกค่ะ <c oughs> ให้เวลาเบาใจเลยนั้นตัดไปเลยให้ไปเลยการให้พระเวชันดอนท่านจะภาวนาเนี่ยท่านมากัวงวลกับลูกกับเมียก็ภาวนานไม่ค่อยสดพอ่ายมารับผิดชอบขอขอรับไปเลี้ยงต่อจะให้เข้าไปเลย <c oughs> แล้วก็สบายใจมีลูกศิษย์คนหนึ่งเาก็ มาคุยธรรมะเนื่อยๆเขาก็บอกเขาก็มีความสุขกับครอบครัวกับภรรยาเขาแล้วก็เตือนว่ามันไม่แน่นะบางวันอาจจะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นหรือก็ ไ, ได้เพราะอีกสักปีหนึ่งก็เกิดขึ้นนะภรรยาบอกขอเลิกจะไปมีสามีใหม่โอ้ใจวุานาน่นแรงนริทาตวิ่งมหมาเหรอว่าอยากจะอยากจะทำลายเขา เราก็ให้สติเขาว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราเราทำใจเราให้สบายกิว่าเป็นการทำยินให้ทานไปเราก็มีความสุขไม่คิดแต่ว่ามันจึงเวลาที่เขาต้องจากเราไปเขาจะจากไปแาบไหนเขาจากไปเหมือนกัน จากไปขณะที่เป็นก็จากกันจากไปขณะที่ตายก็จากกันเหมือนกันถ้าเราเต็นยตัวเตียนใจดูเรื่องหน้าไปก่อนแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นถึงแม้จะไม่เกิดขึ้นวันนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าต่อไปเรื่องการจากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่ามันจะจากในรูปแบบไห น, นถ้าจากในรูปแบบที่เราพอใจเราก็มีความสุขเช่น เราอยากจะให้เขาไปเนี่ยถ้าเขาไปเมื่อไรเราก็ดีใจแต่ถ้าเรายังไม่อยากให้เขาไปแล้วเขาไปเราก็เสียใจปัญหามันก็อยู่ที่เราคือเขาต้องไปแน่ๆเน้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้ให้ให้ใหเป็นได้ทั้งสองแบบขณะที่อยู่ก็อยากให้เขาอยู่ขณะที่เขาไปเราก็ต้องคิดใจของเราาเออไปก็ดี เราจะได้มีอิสระภาพเราจะได้เป็นตัวของเราเองจะทําอะไรก็ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องคอยกังวลว่าเขาจะคิดอย่างไรเป็นการปรับใจเท่านั้นเองไม่อยากเย็นอะไรเลยถ้าเรารี้จักปรับส่วนใหญ่ใจของเรามักจะยึด ต, ติด ค, คือเคยทําอะไรมันจะติดเป็นนสัยไม่ชอบปรับตัวเอง เราต้องปรับหน่อยก็รู้สึกหงดเหยีดเช่นถ้าเราต้องตื่นเช้าสักชัก่วโมงนึงจากที่ธรรมดาเราเคยตื่นนี้เราก็องยเหยียแต่ถ้าเราคอยปรับอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนปรับใจของเราใ ห, ให้มันเข้ากับเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆเหตุการณ์เป็นยังไงเราก็ปรับให้มันเข้ากับเหตุการณ์นั้นชีวิตกําเราต้องปรับอยู่เรื่อย บา ง, างครั้งเราก็ปรับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราปรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาทางด้านจิตใจใช่นวาจิตใจก็วุ่นวายจินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายปัญหาทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่เราไม่ฉลาดเราไม่ศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงของเสนต่ต่างๆที่เราไปาที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย เราไม่รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วบ้างเปลี่ยนช้าบ้างเปลี่ยนน้อยบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมากบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มีเรื่อยๆนะีถ้าเราคอยที่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงเลยเมื่เดียวเสียงก็เข้ามามัน ม, มีเงเงียบมาเดียวก็มีเสียงเข้ามา ยราก็รับกับสภาพนั้นเราก็ไม่ไม่มุนหงุิดใจอย่างถ้าเราบองว่ามันไม่ได้ต้องต้องเงียบตลอดเวลาแล้วเกิดมันมีอะไรโผล่ขึ้นมา mm hmm. ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เั้นทําใจให้กว้างๆทําใจให้สบายอะไรพอมันงอหงุดหงิตใจก็อย่าไปอย่าไปปรับข้างนอกให้ยึดเข้ามาปรับข้าใน อะไรที่ทําให้เราหนุนหุ่นใจเราต้องปรับความหุ่นหุใจของเราที่ข้างในอย่าไปจับปรับข้างนอกก็ย่ไปเปลี่ยนเขาอย่าไปบอกว่าคุณทํานี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคุณต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดก็าบนแล้วแต่ชอบไม่ทำเนี่ยทำ ไ, มไหมนะเดี๋ยวว่าทะเลาะวิวาทกันถ้าเรารู้ว่าเขาจะทํานี้แล้วก็ปรับใจว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ทําอย่างนี้เอย่างนี้เขาทํานี้แล้วเราก็ต้องปรับใจว่าอ้ เขาทำนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาจะทํำนี้ถ้ายอมรับได้มันก็ไม่มีปัญหาเลยปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเองที่ไม่ค่อยชอบกรับให้แค่เขาให้ทันกับสภาพเหุการณ์เพราะส่วนหนึ่งเราก็ไม่เคยสอนใจให้ให้มีการถอยกลับเปลี่ยนให้รับกับเหตุการณ์เราเราจะยึดติดกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เราจะปรับเปลี่ยนหรอเฉพะเฉพาะเลกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราไม่พอใจแล้วเราพยายามปรับเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นให้มันถูกใจเราเช่นบ้านเราถ้ามันเก่าเราก็ซ่อมใหม่ทาสีใหม่ปรับปูงใหม่เราทาเสร็จแล้วเราก็สบายใจอยู่กับมันแต่พอมันเริ่มเป็นอีกเสียอีกเก่าอกีกเราก็ต้องซ่อมอีก แต่ถ้าเราปรับใจว่าอามันเป็นเรื่องธรรมดาทาเท่าไหร่มันก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆต้องปรับอยู่เรยๆซึ่ปรับใจเราดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องเสียเงินเสียทองอมันจะกล่าวสีมันจะสมมุดบ้านมันจะมันดูไม่สวยแล้วอะไรแล้วก็ปว่อันไปตามเรื่องของมันถ้ามันยังทําหน้าที่ของมันได้อยู่ให้เราให้เราหลบแดดหลบฝนหลบภัยได้ก็ขว่อมันจะเถอะ ปรับใจของเราให้รักกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นี่แหละการที่จะดํำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะไปปรับกับสิ่งภายนอกให้ให้ให้พอใจกับกับความต้องการของเราเพราะมันมันปรับเท่าไหร่มันก็ต้องมันก็ไม่เคยพอใจได้ทีถ้ามันพอใจก็พอใจเพียงเดียว ก็เดี๋ยวมันก็อยากจะให้ให้เป็นอย่างอื่นอีกไมมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี่มันไม่มีขอบเขตถ้าเราเอาความอยากมาเป็นประมาณเราก็จะต้องเหนือกับมันเราจะต้องทาตามความอยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาความความความพอดีหรือความพอใจเป็นหลักทําใจเราให้พอใจกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่เป็นอยู่เราก็จะสบายทางเท่าที่จำเป็นสิ่งใดที่ต้องทำก็ต้องทำแต่สิ่งใดที่ไม่ต้องทำก็อย่าไปเสียเวลาทาเลยสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็มีไม่มากดูแลชีวิ ต, ตภาพร่างกายของเราให้ดาเนินไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อที่จะได้เอาชีวิตนี้มามาเป็นเครื่องมือในการมาดูแลรักษาใจของเราให้มันอยู่ในสภาพที่ดีตลอดไปนี่คืองานหลักของชีวิตเราอยู่ตรงนี้คือการดูแลใจของเราใจของเรานี่ เป็นสิ่งที่เราดูแลได้และคนรจะดูแลและต้องดูแลแต่สิ่งอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราดูแลไม่ได้ถ้าดูแลได้ก็เพียงในในขอบเขตของมันดูแลพอที่จะเอื่อความสะดวกต่อการดูแลใจของเราเท่านั้นเองเแต่ถ้าเราจะดูแลสิ่งต่างๆเพื่อให้มันให้เรามีความสุขมีความพอใจ มันจะไม่ไม่สามารถทําได้ไปตลอดเพราะสิ่งที่เราทํานั้นมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงมันทำอะไรไปสักระยะหนึง่งแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันต้องเก่ามันต้องชำรุดต้องมาซ่อมต้องมาแก้ไขมาทําใหม่ทีไรของเราก็จะเส้ยเวลาไปกับการดูแล บำรงรักษาสิ่งที่ต้องดูแลรักษาอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและในขณะเดียวกันใจของเราก็ขาดการดูแลเมื่อขาดการดูแลใจของเราก็ไม่มีที่พึ่งเวลามีอะไรที่ใจไม่สามารถไปจัดการได้ใจก็ทำใจไม่ได้ยอมรับกับสภาพที่ เป็นอย่างนั้นไม่ได้บางทีก็ถึงกับต้องหนีสภาพจากนั้นไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งบางทีก็ย้ายบ้านย้ายช่องเปลี่ยนสถานที่ไปหรือบางคนไม่มีที่ไปก็กระโดดตึกไปก็มีเพราะว่าทนอยู่รับกับสภาพความจริงของตนในขณะนั้นไม่ได้ ถ้ารู้จักรับใจท่าหน่อยก็ยอมรับว่ามันก็เป็นอน่างนี้มีมีได้มีเสียมีมามีไปเป็นธรรมดาถ้าเราเตรียมเตรียมใจไว้รับกับสภาพที่จะเกิดขึ้นไว้ตรงหน้าก่อนแล้วพอมันเกิดขึ้นมันก็มันก็ทำใจได้มันก็รับกับสภาพได้เหมือนกับเหมือนกับเวลาที่เราเดินเดินทาง ในเรือถ้าเราเตรียมชูชีพไว้เกิดเวลาล็เรือไปไ ป, ไปล่มไปจมที่ไหนถ้าเรามีชูชีพเราก็แล้วก็ใช้ชูชีพเพื่อที่จะช่วยเราให้ไปให้ไปต่อได้ไม่ต้องจมน้ําไปกับเรือถ้าเราไม่มีชูชีพไหวน้ำไม่เป็นพอเรือจมเราก็ต้องจมไปกับเรือใจของเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจมกับสิ่งต่าง สิ่งต่างเขาจะมาเขาจะไปก็ปล่อยเขามาปล่อยเขาไปแต่ ใ, ใจเราควรจะมีหลักยึดมีชูชีพไว้เป็นที่พึ่งชีวิตนี้ก็คือธรรมะธรรมะที่เป็นยอดของธรรมะก็คือปัญญาคือความความรู้ทางกับความจริงของสิ่งตา่างๆที่กําลังเกิดขึ้นก็นดีหรืที่ยังไม่เกิดขึ้นก็นดีแต่จะต้องเกิดขึ้น เราจึงต้องคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเป็นธรรมดาเรามีการพลาดพลาดแก่กันเป็นธรรมดาที่เป็นสิ่งที่เรา ควรจะรู้ควรที่จะสอนควรที่จะเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่สอนไม่เตือนใจก็เหมือนกับเราไม่ได้เตรียมร่มชูชีพไว้น่มชูชีพถ้าเราอยู่บนเครื่องบินหรือว่าถ้าอยู่ในเรือก็มีชูชีพแล้วมีมีเรือที่เราจะท่จะไสได้เนี่ยในกรณีที่เรือใหญ่เกิดต้องจมลงไปเราก็ใช้เรือเล็กอาศัยเรือเล็ก ต่อไปได้เนี่ยนี่คือชูชีพของเราก็คือปัญญาแต่ธรรมชาติของกิเลสนี้จะคอยขัดขวางการเจริญปัญญากิเลสจะไม่ชอบคิดึเนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพาดจากกันเพราะกิเลสไม่ชอบสิ่งเหล่านี้นั่นเองกิเลสชอบจะอยู่ เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพสมิงแข็งแรงไม่อยากจะตายไม่อยากจะพลาดๆอยากสิ่งต่างๆในความอยากของกิเลสนี่มันฝืนฝืนความจริงถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วไม่พยายามไม่พิจารณาถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นมาก็าเหมือนกับเราไม่เชื่ อ, อกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาจะ พยากรอากาศบอกเราล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปมีพายุหรือไม่น้ําจะท่วมหรือไม่เราก็อยู่ของเราแบบปกติไม่อยากจะคิดถึงน้ําที่จะท่วมบ้านเราหรือคิดถึงพายุที่จะถล่มทลายบ้านช่องพอถึงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่มีไม่มีทางทางวิธีไร ก็จะต้องกลายเป็นเหยื่อของของภัยเล่าน้นไปแต่ถ้าเรารู้ว่าน้ำจะท่วมบ้านเราก็เตรียมขนข อ, ของขึ้นที่สูไงไว้ก่อนเตรียมเก็บมาหุงอาหารไว้พอน้ำท่วมไปซื้อกับซื้อจ่ายกับข้าวที่ไหนไม่ได้เราก็มีอาหารไว้รับประทานมียามีอะไรต่างๆไว้ไดูแลได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเรารู้เรื่องน้ำว่าเรา ว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ใจก็เตรียมรับกับเหตุการไว้เพราะส่วนหนึ่งความจริงก็คือเราต้องรู้ด้วยว่าใจไม่ได้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันความหลงนี้จะหลอกให้ใจคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เกิดความตกใจเกิดความหวาดกลัวเกิดความสับสนวุ่นวายใจทั้งที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนกับเหมือนตัวเรากับเพื่อนเราอย่างนี้เพื่อนเราเขาเป็นอะไรไปเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาสนอ่อแต่เรากลับไปวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับของเขาเพราะเราไปผูก ตัวเราไว้กับเขาคือเหมือนกับว่าเราต้องพึ่งเขาต้องอาศัยเขาเราไม่อยากจะให้เขาไปเพราะเขาไปแล้วเราลำบากเช่นคนใช่อย่างนี้เราอาศัยเขาคอยซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านพอเขาบอกว่าเขาจะออกเขาจะไปบ้านแค่นี้เราก็วุ่นวายใจแล้วว่าเราไปผูกไว้กับเขาผูกความสุขของเราไว้กับเขาหนึ่ง ความหลงเนี่ยมันจะหลอกให้ใจไปผูกความสุขไว้กับสิ่งต่างๆนอกเหนือจากจากตัวใจเองทั้งที่ความสุขในใจนี่มันเลิศประเสริฐมากกว่าความสุขอืน่นใดในโลกนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีสามโลกตัวใดรู้มีคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าที่จะค้นพบความจริงนี้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในตัวของใจ ไม่ได้อยู่ในในที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของของใจที่มาที่ใจมาครอบครองไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาเหลนะ่านั้นความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่ไม่ไปไม่ไปหลงไปยาไปยึดไปติดกับร่างกายของคนอื่น ก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้วิธีจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องทําใจให้สงบเป็นหลักอยาก่าปล่อให้ใจคิดเพราโดยธรรมชาติใจนี้มักจะคิดออกไปข้างนอกคิดหาความสุขจากภายนอกพออยู่เฉยๆอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่มีอะไรให้ได้สัมผัสให้ได้มีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นวัตถุก็จะรู้สึกว้าเหว่เจ้าซร้อยหน่อยอย่างนี่เป็นความรู้สึกที่ผลิตขึ้นมาจากความหลงจากจากความอยากพอพอเกิดความรู้สึกนี้แล้วก็ต้องพยายามแก้ความรู้สึกนี้ด้วยการไปห า, หาวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่าง มามาเป็นเพื่อนมาเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขสมแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนไปหามานี้มันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเสมอไป ในเบื้องต้นเราก็หาหาในสิ่งที่เราคิดว่าดีกับเราพอเราได้แล้วเราก็ดีใจแต่พอสิ่งที่เราได้มานั้นเกิดเปลี่ยนไปพกิย่างหน้ามีเป็นหลังมือจะดีเป็นไม่ดีไปเราก็เสียใจเราก็เสียใจมากกว่าตอนที่เราไม่มีของเสีย การที่เราไม่มีเขาเราก็มีความรู้สึกว่าวเลาเศร้าสร้อยเหน่อยๆมันก็เป็นความทุกข์แต่มันไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องเสียใจเนื่นองจากบุคคลที่เราฝากความหวังไว้นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนั้นถึงที่เราควรจะสอนใจเราอยู่เสมอก็คือว่าพยายามทำใจให้เราให้สงบ พอใจเราสงบแล้วเราจะไม่คิดอยากได้สิ่ ง, งต่างๆไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับใครและจะมีความสุขอย่างมากในขณะที่ใจสงบนี่เป็นธรรมชาติของใจเปน็นอย่างนี้ใจมีความสุขเมื่อใจสงบใจจะมีความทุกข์เมื่อใจเริ่มคิดเริ่มปกรธเริ่มมีความอยาก ดังนั้นวิธีที่จะต้องวิธีที่จะทำดูแลตัวเราดูแลใจเราก็คือต้องคอยคอยควบคุมใจของเราให้ให้สงบอยู่เรื่อยๆที่มันจะทํำยังไงมันก็แต่ละคนมีนก็มีความสามารถไม่เท่ากันมีภาวะที่ต่างกันบางคนก็กว่าจะมารู้คาจิงนี้ก็ก็ไปติดอยู่กับสิ่งต่างๆมากมาย จนรู้สึกว่ายากต่อการที่จะถอนตัวออกจากสิ่งต่างเพราะขณะที่อยู่กับสิ่งต่างๆี่อยู่กับภารกิจต่างนั้นมันก็ต้องใช้ใจคอยคิดคอยทำงานอยู่เรื่อยๆๆใจก็ไม่สงบใจไม่สงกใจก็จะมีความหิวมีความอยากมีความต้องการสอแสดแทรกมาอยู่เรื่อยทำอะไรเสร็จปั๊ก็ต้องรีบไปจัดการกับความอยาก เงินพองเงินเรียนออกก็ควแล้วไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะเป็นผลที่เกิดจากใจที่ไม่สงบนั่นเองที่เราจะทําให้มันสนบก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานเวลาทํางานใจเราก็ต้องคิดเมื่อคิดแล้วมันก็เลยมีความอยากแทรกขึ้นมาเพราะใจเราจะไปรับข้อมูลต่างๆ ทางสื่อต่างๆทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ทางข่าสารต่างๆก็จะมีสิ่งที่จะมาคอยล่อใจให้ไปไปชื่นไปชมเช่นไปที่รา้ามสถานที่ต่างๆหรือมีสินค้าชนิดต่างๆแปลกๆใหม่ๆออกมาถ้าทายความอยากเราอยู่เรื่อยพอเรามีโอกาสที่จะ กระนองความอยากได้เราก็รีบทําทันทีมันก็เลยทําให้เราอาติดเล็กลงไปในวงจรของความอยากมากขึ้นอีกเวลาที่เราจะใช้กับความทําจิตใจให้สงบก็แทบจะไม่มีเลยเพราะเมื่อเราได้ได้สิ่งที่เราอยากทําเราก็จะต้องไปทำกับสิ่งนั้นเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ได้ไปเที่ยว ใจเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำความสงบมีได้ได้ได้ได้โทรทัศน์เครื่องใหม่มาได้เครื่องเล่นอะไรมาใหม่เราก็ต้องหมดเวลาเล่นไปสบมันเวลาที่จะหาความสงบเก็ไม่ค่อยมีเมื่อไม่มีความสงบความความอิ่มความพอก็ไม่มีใจก็เลยต้องถูกความอยากนี้ ชิดลากเมื่อฝากดันให้ไปไปตอบสนองความอยากอยู่เรื่อยๆก็แบบนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วแล้วเมื่อถึงเวลาที่อยากมากๆแล้วไม่ได้สมอย่างยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เวลาอยากแล้วได้มันก็ยังพอทุเราอยู่แต่มันก็ไม่ได้วิเศษอะไรอย่างน้อยมันก็ทําให้ชีวิตยังดําฟอนดําเนินไปได้อยู่ แต่พออยากได้ได้แล้นไม่ได้หลังใจตอะ น, นั้นเังก็เหมือนกับสะดุดเดินไปเตะต่อเขา้าก็เจ็บเท้าเจ็บใจขึ้นมาเสียอกเสียใจก็ต้องไปนอนหยอกเพราะต้ม อ, อยู่หลายวันกว่าจะหายพอหายแล้วก็ลืมก็ไปกลับไปอย่างเดิมก็ลกลับไปอยากใหม่ต้องการสินั้นสินี้ใหม่ดันั้นถ้าชีวิตของเรา ตาบใดยังไปเกี่ยวข้องอยู่กับความอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆภายนอกอยู่เราจะไม่ได้พบกับความสุขความอิ่มความพอเราจะพบแต่ความสุขที่ที่เป็นไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจผ่านเศร้าเสียใจที่จะตามมาในลําดับต่อไปฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพยายามต่อสู้กับความอยากเหล่านี้ ด้วยการนําเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้กับการดําเนินชีวิตของเราในระดับพื้นๆก็คือท่านสอนให้เราอยู่อย่างส ม, มะถะเรียบง่ายคือมักน้อยสันโดษให้ใช้น้อยๆให้ใช้เท่าที่จําเป็นเช่นเสื้อผ้ามีมีมีใช้ท่าที่จําเป็นก็พออย่าอย่าซื้อมากเกินเกินไป อย่าซื้อเวลาที่เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ๆเขาขายอยู่ตามร้านก็อยากจะได้ทั้งๆ ท, ที่เสื้อผ้าที่มีในตู้มันก็นลต้ตู้จะต้องไปซื้อตู้มาใส่ใหม่ mm hmm. เสื้อผ้าชุดไหนที่เราไม่ได้ใส่เกินหกเดือนไปนี่ก็ควรที่จะเอาไปทหทานได้ mm hmm. เก็บมาไว้ใจเฉพาะที่เราใส่จริงๆ mm hmm. แล้วก็ต้องทำหมันมันอย่าให้มันกำลังเติบโต ถ้ามันมีจำนวนเท่านี้ก็พอเป็นสิบชุดสิบห้าชุดก็ว่าไปรองเทาง้ากี่คู่ก็ว่างไปถห้มันมีขอบเขตถ้าไม่มีขอบเขตแล้วมันมันจะมามันจะมาอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเราจะเสียเวลากับกับเรื่องการทามาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งของเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์จับใจเลยกลับเป็นโทษจับใจ พ่าทาให้ความอยากนี้เจริญเติบโตมีกําลังมากขึ้นยากต่อการที่จะปราบมันที่จะกาจัดมันดังนเราต้องใช้ควา ม, มน้อยควา ม, มน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่พอดีเสื้อผ้าอย่างของผ้านี่บางรูปท่านก็ถือแค่ผ้าสามผืน ม, มีผ้าห่มผืนเรียกว่าผ้าจีวรตอนนุ่งก็ผ้าสบง แล้วก็มีผ้าสังคติผ้าจีบวรนสองชั้นไว้สําหรับผมกันหนาวถ้มีสามผืนนี้แล้วก็มีผ้าบน้ําอสักผืนแล้วก็ผ้าอังสะท้านี้ท่านก็อยู่ได้านเะไม่ให้มีเกินนั้นถ้ามันไม่ขาดจนกระทั่งใส่ไม่ได้นี่ก็ยังไม่เปลี่ยน้าขาดแล้วยังปะได้ยังอะไรได้อยู่ท่านก็จะปะกัน สมัยก่อนนี่จะเห็นผ้าผ้าของเห็นผ้านี่ท่านจะใช้ผ้าปะกันนั่นนั่นยุคนี้เป็นยุคที่กรรมฐ า, านยกาลังเจริญงูเงินมีผ้ามากมายจะล้นโต้ล้น ล, ลาลาจะไม่ค่อยได้เห็นผ้าผ้าที่ปะกันแนละ้วแต่สมัยก่อนนี่ยังเคยเห็นอยู่เพราะสมัยก่อนนีนก็เพียงเมื่อสามปิด สามสิบกว่เปีมานี้ก็ญาติโยมก็ยังไม่ได้เข้าวัดากันมากเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนที่วัดส า, านตากวัดสาวที่จะมีรถสักสี่ห้าคั น, นที่จะไปทําบุญตอนเช้าไปนำมหานไปถวายอแล้วช่วงวองนเสาร์ก็จะก็จะมีพวกญาติโยมที่จัดรถบัสไปกันก็จะแวะไปฟังเทศหลวงตาหน่อยถวายของหน่อยแล้วเขาก็ไปต่อก็จะไปหว้วัน เพราะสมัยนั้นมีวัดของครูบาอาจารย์ค่อนข้างมากและครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงกว่าหลวงตาในสมัยนั้นก็มีอยู่หลายรูปด้วยกันหลวงตานี้เป็นวัดที่เขาไม่ค่อยกล้าเข้าด้วยเพราหลวงตาตอนนั้นท่านจะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะ เ, เปิดโอกาสใครมาถ้าถ้าจะถ้าจะไปนี่ต้องทำใจไว้ก่อน จะไปได้ถ้าพวกที่ทําใจไม่ได้นี่เขาจะไม่เข้าเขจะเลยไปเลยพวกที่ทาใจก็คือว่าต้องโดนแน่ๆต้องดนเลยเขาแต่พวกนี้เขาเขาก็จะได้อะไรเพราะว่าเขาได้ได้การทําใจนี่แหละนี่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติใจของคนเรานี่เรากิเลสชอบการสลเสริการต้อนรับขับซู แต่พอเจอลูกไล่ขึ้นมานี่ทำใจไม่ค่อยเป็นพอมาพอไปถึงแทนนี่จะต้นแล้วก็ถามว่ามาทำไมมาวุ่นวายทำไมเพียง <c oughs> <c oughs> แต่คำพูดเท่า น, นั้นเองทั้งทั้ที่ท่านก็ไม่เลยว่าอย่างจริงๆจังจแต่เป็นการการยับดูกิเลสของเราเท่านั้นว่าจะเป็นยังไงกิเลสก็ล้มพับใจก็ล้มพับไปละ พวกที่เขารู้ทันท่า น, านแล้วก็เฉยๆท่านจะว่าก็ว่ า, าไปเรามีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไปเพราะเราไปเราก็ไปเพื่อไปฟังเท่านั้นเราไม่ได้ไปเพื่อให้ท่านมาต้อนรับกลับสู่มาลูปรู ป, ร, ป, ร, ปรูปหน้าตะเภาเราชมเราอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเราไปเพื่อต้องการจะไปฟังธรรมะคนที่ไปฟังธรรมะแล้ว เ, เขาก็จะทําใจให้สงบ ถ้าเป็นนักฟุ้นฟูนก็เป็นประตูคอยรับลูกอย่างเดียวไม่ต้องไปไปกําหนกดกฎเกณฑ์ว่าคนที่จะเตะลูกเข้าประตูนั้นต้องเตะแบบไหนคือต้องรับได้ลกทุกรูปแบบจะลูกแบบเตะมาแรงก็ได้จะเตะมากเตะมาค่อยก็ได้สมัยนั้นก็เลยไม่ค่อยมีคนไปวัดตาบัานตากันเท่าไหร่ ก็ดีอย่างก็สงบเนี่ยแล้วก็เท่าของก็ไม่มาก็มีพอมีพอใช้อยู่ไม่เดียดร้อนเลยแต่ก็ไม่ถึงกับล้นหลามล้นตูอะไรไม่มีที่เก็บนี่ก็พูดถึงเรื่องควา ม, มาน้อยสันโดษการดาเนินชีวิตของเราควรจะอยู่แบบนั้นเพราะมันตัดภาร ะ, ะไปได้เยอะ ถ้าเราใช้แบบฟุ่มเฟือยอย่าเงี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาต่อให้เป็นมาหาเศรษฐีถ้าเรารู้จักใช้ไม่รู้จักหามันก็หมดได้หมดมันก็ต้องหามันก็ต้องเสียเวลากับการไปหามาเพื่อที่จะมาบํารุงบำเหน็ความอยากใช้ของฟุ่มเฟยต่างๆดันั้นเราก็ต้องปีกอกรว่าปัจจัยสี่นี้เราจะ จะจะใช่อย่างไรจะใช้ในระดับไหนเหมือนกับเวลาเดินทางเขาจะมีปีตัวชั้นหนึ่งชั้นสองหรือชั้นชั้นสามเนราก็เอาชั้นสามวาถูกที่สุดมันก็ไปถึงเหมือนกันใช่ไหมเอามากน้อยก็ต้องอย่างนั้นพวกมากน้อยทําไมก่อนได้ยินว่าหลวงตาตอนที่ท่านมากรุงเทพท่านท่านนั่งรถไฟชั้นสามเนะ mm hmm. ี่ยเก้าอีานะ้ไม้นะ่ไม่มีเบาะ ท่านไม่นอนท่านนั่งตมาตลอดคืนการทั้งที่เขาก็อยากจะถวายซื้อตูนอนให้ท่านนั่งแต่ท่านไม่นั่งท่านก็จะท่านเลยนั่งอย่างนั้ ง, งท่านเพราะมันมั น, ม, นมันทําให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็ทําให้เราทําให้กิเลสมันมันอ่อนมันจะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ขอให้เราใช้ความวามักน้อยส่วนสัญญานี้แปลว่ายินดีตามมีตามเกิดเกิดถึงแม้ว่าถึงแม้มันจะจําเป็นแต่ได้น้อยกว่าสิ่งที่เราจําเป็นก็ถ้ายังพอถือถ่ายอยู่ได้ไปได้ก็ใช้มันไปไม่ให้ไปยื่งหนุนไปหาไปขอผู้อื่นเถอะถ้าจําเป็นหาได้ก็ก็หามาถ้าหาไม่ได้ก็ใช้มันอย่างนี้ไปก่อนอย่าไปกู้นี่ยืมสิน ก็จะทำให้การเป็นเป็นภาระขึ้นมาทางด้านจิตใจจะมีความทุกข์ตามมาเพราะต้องคอยกัวงวลกับการที่จะต้องใช้นี้ใช้สิน mm hmm. ถ้าเรามีความมากน้อยสันโดษแล้ว mm hmm. การความอยากต่างๆมันก็ถูกรลดลงไปได้มาก mm hmm. เห็นเ ส, สื้อผสวยๆงามๆอยากจะซื้อก็ถานตัวเองว่า ที่ของเก่ามันใช้ไม่ได้หรือยังไงมันยังใช้ได้อยู่ใช้เมื่อกก่อนไม่ต้องไปซื้อของใหม่เราก็จะประหยัดเงินได้ประหยัดเวลาได้ก็จะมีเวลามาทําบุญมีเวลามาปฏิบัติธรรมหรือถ้าไม่ได้มาวัดก็มีเวลาอยู่ที่บ้านความจริงที่บ้านหลังนี้ถ้าเรามีที่ที่สงบเงียบไม่มีใครมารบ ก, กวนเราการภาวนาอยู่ที่บ้านเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องเดินทางเสียเวลา เดินทางไปแต่ครั้งนี้อย่างสาวที่ไปเดินทางไปต่างจังหวัด น, นั่งรถไฟทั้งคืนี้มันก็หมดเวลาไปเพราะไปถึงนั่นกว่าจะกลับตัวได้ก็ถึงเวลาต้องกลับละถ้าอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ภาวนาที่บ้านเลยคือการพาวนาส่วนใหญ่ของพวกเราในในระยะเริ่มต้นนี้ไม่ไม่ต้องไปหาที่ขนานที่ในป่าในเังก็ได้ าที่บ้านเราให้ได้ก่อนฝึกทาจิตใจของเราให้สงบให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆพยายามควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่รรรองเื่าต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดให้คิดอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเขียนหนังสือกาลังอ่านหนังสือก็ ก็ให้มีมีความคิดอยู่กับการการงานเหล่านั้นถ้าทำอย่างนั้นใจก็จะมีความสงบในระดับหนึ่งและจะมีสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่อยู่อยู่ตามที่เราต้องการและพอเวลาเรามีเวลาว่างที่เราไม่ต้องทำภารกิจต่างๆพอเราอยากจะทำจาจให้สงบนิ่งด้วยการบริกรรมพุทโธ ก็ดีแล้วด้วยการกำหนดอยูลงหายใจก็ออกก็ดีเราก็จะมีสติคอยควบคุมให้ใจอยู่กับการกระทำนั้นๆถ้าอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องหรืออยู่กับลมได้อย่างต่อเ น, นื่องรับรองได้ว่าจิตมันตั้งสงบมันจะต้องรวมลงได้แน่นอนเพราะนี่เป็นวิธีที่จะทำให้จิตรว ม, ล ง, ล, ว ล, วมลงแล้วเมื่อจิตรวมลงแล้วจิตก็จะโล่งออกสบายใจ ได้ปล่อยวางโลกทั้งโลกไปหมดเลยโลกทั้งโลกนี่เหมือนกับหายไปจากใจเรื่องต่างๆที่ใจเคยวุ่นวายเคยสับสนเคยเคยห่วงเคยกังวลนี่มันจะหายไปจากใจถ้าเป็นเหมือนกับกระดานดำที่มีการเขียนมีการวาดมีการอะไรต่างๆไว้บนกระดานพอเราเอาเอาที่ลบไปลบมันออกหมดกระดานมันก็ว่างไม่มีอะไรเลย หรือถ้าเป็นโทรทัศน์ก็เหมือนกับเวลาที่เราปิดเครื่องพอปิดเครื่องจอมันก็ว่างๆไม่มีอะไรใจของเราก็จะว่างดังนั้นแต่มันมันว่างแบบมีความสุขว่างแบบเบา อ, อกเบาใจว่างแบบสบายใจมันลืมเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆที่ใจไปวุ่นวายไปไปเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วขณะหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับ เหมือนกับได้ได้เห็นเห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มีอยู่ในจัจของเราเองอยู่ในตัวของเราเองว่าเราความจริงไม่ต้องใบแบกมันตลอดเวลาความทุกข์มันก็มีอยู่ปัญหามันก็มีอยู่งั้นแหะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องใบแบกมันยี่บสี่ชั่วโมงด้วยการคิดถึงมันตลอดเวลาเราก็ควรจะปล่อยวางมันบ้างเมื่อถึงเวลาที่จะไปแก้แล้วเราค่อยไปคิดถึงมันถ้ายังไม่ถึงเวลา หรือว่าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องแบแบบเหมัอนใจเราก็จะก็จะอยู่อย่างมีมความสุขหน้ากับปัญหาต่างๆเพราะใจก็ไม่ได้เสียอะไรไปกับการเสียสิ่งต่างๆไปเวลาได้อะไรมาใจก็ไม่ได้ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมเวลาเสียไปก็ไม่ได้เล็กลงไปกว่าเดิมใจก็เท่าเดิม แต่ใจหลงเท่านั้นเองพอใจมีอะไรแล้วก็ยึดติดกับสิ่ง น, นั้นหวงไม่อยากจะให้มันไปจากเราแต่ความจริงมันไปมันก็ไม่เห็นจะทำให้ใจมันมันเล็กลงมันแยกลงไปใดเพียงแต่กิเลสบอกทำให้รู้สึกว่ามีความเศร้าโศกเสีสยใจนี้ความเสียดายอะไรอววอนไปเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุ ถ้าทําใจให้เฉยๆเลยทําใจให้เข้าสงในสมาธิได้ในการต่างๆเหล่านะั้นมันก็ไม่มากระทบกับจิตใจเหมือนกับเวลาที่มีอากาศร้อนๆอยู่ภายนอกถ้าเราเข้าไปในห้องปรับอากาศความร้อนนั้นมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ตามเราเข้ามาสมาธินี่ก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศของใจถ้าเราเข้าสมาธิได้นะเราก็จะมีห้องปรับอากาศไว้หลก ความทุกข์ร้อนต่างๆที่เราจะต้องเผชิญกันในใ น, ในชีวิตของเราแต่เมื่อถ้าเราต้องออกมาเพื่อเผชิญกัมันเราก็ต้องใช้ปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะทําที่จะรักษาความเย็นความสงบของใจใ ห, ให้ให้ได้ต่อไปก็ดังที่สอนว่าปัญญาต้องสอนใจว่าใจกับสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะ อูไปด้วยกันตลอดใจไม่จําเป็นจะต้องมีแสงสิ่งต่างๆใจก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เช่นในขณะที่อยู่ในสมาธิตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขณะที่อยู่ในสมาธินั้นใจก็ไม่ได้อาศัยอะไรเลยไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆไปนอกแต่ใจกลับมีความสุขมากกว่าเราก็เอาความรู้อันนี้มาสอนใจ เวลาจะเสียดายอะไรก็ตัดใจไปเลยเอาไปเลยไม่มีแล้วจะดีกว่าปัญหามันอยู่ตรงที่เราพร้อมที่จะให้มันไปหรือไม่แค่นั้นเองถ้าเราพร้อมแน้วมันจะไม่มีปัญหาเลยส่วนใหญ่เราไม่พร้อมเรายังเสียดายความเสียดายนี่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นธรรมมันเป็นอธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสมันมันมันโงมันเป็นสิ่งที่มัน ถูกฝังลึกมาในใจพอมีอะไรแล้วมันมักจะยึดติดมักจะหวงเสมอเราต้องสอนว่าการยึดติดนี้เป็นโทษการปล่อยวางนี้เป็นคุณปล่อยวางแล้วเราจะสบายใจถ้ายึดติดแล้วเราจะทุกข์ใจก็ต้องเราไปทำอยู่ทำทั้งสองอย่างทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาแล้วทำ ทำทั้งสตินี่ปัญหาก็คือว่าเราจะมีเวลาทำหรือไม่ถ้าเรามวมจะไปยุ่งกับการหาความสุขทางโลกเราก็จะไม่มีเวลาทำถ้าเราใช้ชีวิตยอย่างสมมรถะเรียบง่ายบางน้อยสันโดยเราก็จะมีเวลาเพราะเราจะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาความสุขหาเงินหาทองเพื่อที่จะมา หความสุขทั้งโลกเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติมีเวลาที่จะมาทำจิตให้สงบมีเวลาที่จะคอยควบคุมจิตใจและมีความสามารถที่จะดัดสิ่งต่างๆได้เพราะเมื่อใจได้พบกับความสงบทางของจิตใจแล้วจะเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ ก็จะไม่รู้สึกหยดร้อนอะไรถ้าจะไม่มีอะไรเลยเพราะพะพธเจ้าที่ท่านทรงออกบวดได้ก็เพราะว่าท่านมีความสงบในใจในในระดับฌานอยู่แล้วเยแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติมากเท่าที่ควรเพราะก็เคยมีกรณีที่ท่านเคยกล่าวพูดว่าท่านจิตของท่านรวมสงบลงในขณะที่นั่งอยู่ตามลําพัง ใต้ต้นไม้วันนั้นเป็นวันที่เขามีงานแรกนาขวัญแล้วพวกข้าราชบริพานเขาไปทำกิจอะไรต่างๆของเขาหวยให้พระองค์ทรงประทับอยู่ตามลำพังเนื่องจากกิจของพระองค์นั้นเคยมีสมาธิอยู่แล้วในอดีตชาติพอมีเหตุมีปัจจัยที่เคยความสงบรอบข้างปรากฏขึ้นเขาเรียกว่ากายวิเว้ โอกาสวิเวกจิตมันก็วิเวกได้ขึ้นมา ท, าทันทีเหมือนกับน้ำถ้าไม่มีคนไปกวนไม่มีคนไปไปตักไปไปกระโดดนวดนั่นในน้ำปล่อยให้น้ำอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวน้ำมันก็สงบนิ่งมันก็ใสจิตของผู้ที่ได้เกยบํำเพ็ญทางด้านสมาธิมาแล้วเมื่อเมื่อถึงมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ จิตนั้นสงบมันก็สงบได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกาหนดพุโทโธไม่ต้องไปงกาหนดดูลมหายใจเพราะมันเพียงแต่รอให้มีความสงบภายนอกท่านนั้นเองแต่ที่มันไม่สงบก็เพราะภายนอกมันไม่สงบภายนอกมีเรื่องราวต่างๆมาคอยมาคอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับน้ำที่มันไม่นิ่งเพราะมีคนมัก มีคนมากระโดดน้ำมาเล่นน้ำไหวน้ำอยู่ในสระสะมันก็ไม่มันก็ไม่สงบแต่สระน้ำที่ไม่มีคนไปเล่นลองสังกเกตดูมันจะเมีม้จะไสใจ ก, ก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นเหตุที่ทำให้ผูเจ้าจตัดได้แต่พวกเรานี่คงตัดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เจอความสนบอย่างใ น, นเราจะไม่กล้าตัดกันเรากลัว เรากลัวจะไปใต้กันแต่หารูกแม่ว่าเรากำลังไปสวรรค์กันเรากำลังจะออกจากนรกกันไปสวรรค์แต่ออาเนื่องจากเรามีมิจฉาทิฏฐิเรากลับมาเห็นว่าเราจะไปตกนรกกันเราจะตกจากสวรรค์สวรรค์นับโลกเราก็สวรรค์ที่รุ่มร้อนด้วยด้วยราคะตัณหาด้วยภาวะตัณหาด้วยด้วยกามตัณหาด้วยความวุ่นวายใจต่างๆแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นสวรรค์อยู่ พระพทธเจ้าท่านเป็นท้าราชโอรสเนี่ยท่านก็ยังคิดว่ามันเป็นนรกนะเนีพระท่านได้เห็นสวรวคนที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจของท่านนั่นเองท่านถึงมีกําลังใจที่จะสละลาราชสมบัติได้สละความสุขทางโลกได้มีใครบ้างที่เป็นอย่างท่านในสมัยปัจจุบันแล้วไปทําอย่างที่ท่านทําได้ถ้าจะไม่มีเลย เพราะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่มีบุญเก่าติดตัวมาเขาไม่ได้บำเพ็ญจิตให้สงบจิตก็เลยไม่เคยได้พบกับความสุขอันประหลาดมหาสัจจันใจนี่เลยก็เลยต้องติดอยู่กับความสุขของทางโลกซึ่งในทางธรรมนั้นเรามองว่ามันเป็นเหมือนกับนรกส่วนทางโลกเขาจะเห็นความสุขในทางธรรมนี้เหมือนนรก เขามาอยู่แบบขอทานทอยู่ตามป่าตามเขาดินตามมีตามเกิดไม่มีเพื่อนไม่มีให้ไม่มีสิ่งต่างๆให้ความบันเทิงมันเทิง ใ, ใจเลยหนังก็ไม่มีดูโทรทัศน์ก็ไม่มีดูวิทยุเพลงก็ไม่มีฟังเพื่อนก็ไม่มีคุยอยู่คนเดียว ้าเวบางคนมันอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เปิดนี่แหละคือเรื่องที่เราจะต้องทำก็คือดูแลใจของเราดูแลใจของเราให้สงบให้ได้ด้วยการเจริญสติ อย่างเ ส, สมอๆเมื่อ เ, เรามริสติแล้วเราก็ทำใจให้สงบนิ่งได้แล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆพิจารณาความทุกข์ที่มีซ่อนยอยู่ในสิ่งต่างๆพิจารณาว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่กับเราไปได้ตลอด จะจากเราไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้ถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราพอจากเราไปเราก็จะเสียเสียใจพอพอเป็นของคนอื่นไปแล้วเราก็จะเสียใจเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นของเราประเดนี้มันไม่ได้เป็นของเราใช่ไนะเพราะท่านสอนแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราไปยึดไปติดเปหลงว่ามันเป็นของเราของก็เห็นกันชดัดชัดอยู่มันก็ไม่จำมันสักที บ้านเรานี้ถ้าเผลอๆเดียวก็โดนเขามายึดไปได้นะถ้าฟันไม่หมนะบ้านไม่ใของเราเราเรายืมเงินเข้ามาสาร้างยืเงินเข้ามาซื้อพอเราไม่มีเงินจา่ายเขาเขาก็มายึดมือไปรถก็เหมือนกันอะไรต่างๆก็เหมือนกันถ้าเราคอยเตือนใจเราอย่าลืมว่าไม่ใของเราเมันจะไปจากเราเมื่อไหร่เราก็พร้อมเมื่อไไปเราก็ไม่เกือดร้อ น, น, อน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจมาครอบครองนี้ไม่ได้เป็นของใจเลยมีสิ่งเดียวด้านที่เป็นของใจก็คือความสงบถ้ามีอันนี้แล้วไม่มีใครสามารถเอาไปจากใจได้ขอให้เราสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราหลัไปสร้างอย่างอื่นสร้างครอบครัวสร้างชรอบสมบัติสร้างอาณาจักร อะไรก็ตามมันใหญ่โตขนาดไห น, นมันก็มันก็เสื่อมไปหมดแล้วกรุงลงมันก็หมดไปแล้วกรุงโรยก็หมดไปแล้วกรุงสศรีก็หมดไปแล้วอาณาจักรที่เขากําลังสร้างกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนกันแต่ความสงบของใจนี้ไม่หมดใจของพระพุทธเจ้าความสงบแข็งผ้าไม่พานใจของพระราหานี่ใจของพระเจ้ า, านี่ยความสงบสงของพระพุทธเจ้าของพระราหานี้ไม่หมด เขาเรียกอะไรอาการิโกไม่เสื่อมไปกับเวลาเป็นปรมังสุด ข, ขังอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ได้พบได้ได้ได้มีไว้ครอบครองและเอามาแบ่งหรือเอามาเอามามาให้พวกเรากัน ยืดยืดให้พวกเราแล้วเนี่ยแต่พวกเราจะเอาหรือไม่ก็ต้องเอาไปคิดดูกันถ้าจะเอาก็ต้องสละททุกสิ่งทุกอย่างที่มียูยยย่ยังเสียดายยังเสียดายคนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ยังเอาไปไม่ได้จะโทษใครก็ไม่อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเอง craft. ไมต้องสละที่เรนนี่คือน้อยได้ไหมครับไมเรนนี่ทำไปค่อยๆค่อยๆทําไปอะครับค่อยๆมันก็ได้น้อยตัวมันจะไม่พอเวลามันจะไม่พอเวลาไม่ทันเวลาเราตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแต่แน่ๆนะบางคนเจ็ดวันก่อนจะตายก็ก็ยังยังทําได้การนั่งสละกเหมือนย่างก็รากจะบิดาละ ขพระพุทธเจา้าท่านก็บรรลุพันเจ็ดวันก่อนอที่จะเสด็จสวรรคตตอนนั้นท่านก็ทางใจทางจิตใจท่านก็ตับเนี่ยแล้วเมื่อเจ้าท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเกิดมาแล้วไม่ใช่มากอบโกยทรัพย์สมบัติกอบโกยผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีจังเลยท่านแล้วทำไมบุูชชนพวกเราเกิดมาแล้วก็กอบโกยนู่นกอบโกยนี่ทั้งผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะยัง ปลาอย่างเพื่อจาย์มาเนี่ยยิ่งอยากรวย เ, ยเลยมีใจอยากได้อะไรก็พรเห็นความสุขที่แท้จริงฮฮที่มันอยู่ในใจนี่ก็ความสุขทางโลกก็ผ่านมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วพอมาสัมผัสกับความสุขทางใจแล้วมันมันคนละโลกกันมันเหมือนนรกกับสวรรค์เราสุขทางโลกเนี่มันเหมือนกกรรรนรกเพราะว่ามันจะต้องคอยวุ่นวายกับการแสวงหายอยู่เรื่อย เหมือนกับคนที่ติดยาเสจติดเนี่ยเขาก็ว่าเขามีความสุขแต่คนที่ไม่ติดยานี่ยเขารู้ว่ามันทรมานจะตายไปเวลาไม่ได้เสพนี่มันเหมือนจบมาลงความสุขของพวกเราก็แบบเดียวกันใชงแต่ว่ามันอาจจะไม่ยุนแรงเท่ากับติดยาเสพติดแต่เราก็ติดการมาสุขนี่แหละติดการมมาลดติดรูดเสียงติดลดโทสะพระพอวันไหนอยากจะดูโทรทัศน์ดูหนังก็ไม่ได้ดูนี่ก็งดหมุดใช้แล้ว วันไหนอยากจะกินอาหารถูกปากถูกคอแล้วไม่ได้กินนี่ก็ก็เหนือยเหนื่อยใจมันก็ตกนาลกนะแต่เราไม่ไม่ไม่มองกันไม่คิดถึงกันเราคิดแต่เฉพาะเวลาโอ้ได้กินได้เสร็จเวลาโอ้แทนจะสุขมันจะคิดแต่ตอนนั้นมันไม่คิดถึงความทุกข์ถ้ามันมองด้านของความทุกข์แล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายของของของของสิ่งเดียวกันมันมีสองด้านเหมือนกับเหรียญเนี่ย เราจะมองด้านไหนเราจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะเกิดความเร้นถ้าเรามองด้านบวกเราก็จะเกิดความยึดติดอยากจะอยากจะมีอยากจะเสพอยากจะสัมผัสมันย่เรื่อยๆทำไมก่อนที่ท่านอาจารย์จะไม่ได้บวชนี่เรียนหนังสือหยิบความคิดอยากจะเป็นเศรษฐีสร้างความร่ารวยเยนะยรไหมครับาาย์ไม่เคยนะไม่เคยคิดอยากเป็ แต่ผมพูดถึงผู้คนที่ทําทานไปมากนะท่านอาจารย์แล้วเขาเกิดมาพกชาติหนึ่งเนี่ยเพื่อเขาคลองตัวเป็นคารวะก็คงเป็นเศรษฐีไม่ใช่หรือยังนอกจากทำทานนี้มากแต่ถ้าเกิดเขาไม่คลองตัวเป็นคารวะเนี่ยเขาไปบวชเนี่ยนะฮะบุญที่เคยทําที่แล้จะได้พบกระซับเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็เป็นแท้แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มก็มาอยู่อย่างน้องตาท่านก็มีพบกระซับมา สิ่งเหล่านั้นถ้าศีวลีนี้ก็มีมาก็เป็นพวกนิสงมันก็ยังเป็นนิสงของที่แต่ท่านไม่ยึดติดสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้ยึดติดมามาแล้วท่านก็ไปทําต่อถ้าสมมุติท่านท่านกลับมาเกิดใหม่สมมุติถ้าท่านกลับมาเกิดใหม่ท่านก็ยิ่งได้มากกว่าเดิมที่ท่านได้เพราะการที่ท่านทําขนาดไหนใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยเรื่องในสายตาของผู้ที่ ได้อริยทรัพย์นี่โลกีทรัพย์นี่มันเหมือนกับเหมือนกับก้อนอีกก้อนตรวจไม่ใช่เป็นเท่นมินจินด า, าเ็จมุนจินดานี้คืออริยทรัพย์คือความสงบสุขของจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลื่อนโลบที่สุดแต่การอย่าคารวาถูกหวยแคสองตัวนี่ก็ดีใจก็าตาย <c oughs> ตั้งใจกันในพระวินัยเนี่ยเอพระยืนแสดงธรรมไม่ได้ใช่ไหมคะมีมีจับไหมคะรู้สึกว่าแสดงยืนเวลาท่านยืนคนที่ฟังก็ต้องยืนฟังด้วยมั้งยังมงไหมจ๊ะคือมันระวงังอันนี้เราไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไห ร, ร่เือยท่าพอดีมีมี ที่รูเคยนั่งนั่งลงแล้วท่านยืนอยู่ท่านบอกว่าท่านยืนแสดงทําท่านรู้ไม่ได้แต่ในในเชิงปฏิบัติรู้สึกว่าก็ก็กทํากันอยู่เราเป็นธรรมเนียมของคนไทยเราได้เได้ทําไปเวลาครูบาอาจารย์นยู่เราจะนั่งเวลาท่านพูดนี้ท่านก็แสดงทําแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในพาวินัยบางข้อนี้ก็ในเชิงปฏิบัตินี้อาจจะ อาจจะอาจะมีการเปลี่ยนไปไปตามตามการลักสมัยตามขนับทรรมนียมประเพณีแต่เวลาประเคนของเนี่ยท่านจะไม่ยืนรับนะท่านจะนั่งหอนะถ้าถ้าเป็นไปได้โดยมาญาติแต่ในบางกรณีถ้ามันนั่งไม่ได้ต้องยืนรับก็ยืนรับได้คือเรื่องทั้งเรื่องก็คือให้มันสวยงาม แล้วไม่ให้มันเป็นที่เขานะ่ะนหานินทาของยึดไปผิดขนบทรรมเนียมประเพณีของทางโลกเขาซึ่งข้อข้อปฏิบัติเหล่านี้บางทีมันก็เปลี่ยนไปตามกาลสมัยนั้นส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เราก็ดูตามา้อาเขาทำยังไงก็ทำตามเข้าไปเรามองโดยหลักทั่วๆั่วไปว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดกิเลสหเกิด เกิดปัญหาอะไรบางย่างตามมาก็ mm hmm. ก็ใช้ได้บา่ทีเข่ง mm hmm. เข่งเกินไปมันก็ทำให้ลำบากไปโดยใช่เหตุ mm hmm. ทำให้บางทีอยู่กับ mm hmm. หมู่ไม่ได้อยู่คณะไม่ได้ต้องไปตั้งสำนักของตนเองขึ้น <c oughs> mm hmm. ก็มีองหนึ่งที่ได้ข่าวว่าไม่ให้กราบพระไม่ใช่อหรที่จังหวัดทุกที่ชนบุรีท่านที่เคมีผู้ปฏิบัติทำคนณหนูก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ฝากกราบเรียนถามมานะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเขามากราบท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ทําใจคิดว่าได้ทําใจได้มากขึ้นนะะแต่ปรากฏว่าเอพอไปจริงๆแล้วเนี่ยเขา เขาไปเป็นเขาเป็นไทรอยนะคะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็หมอก็บอกว่าเอเขาเกิดจากความเครียดคือเขานึก็่าเขาว่าความเครียดนั้นได้ลงเยอะ น, นะคะแล้วก็ประกบว่วาหมอฟันก็ไปตรวจหมอฟันหมอฟันบอกว่าเขากลางคืนแน่ยนอนขบฟันตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดจากความเครียดเขาขอบอกว่าความกังวลนี้มันคงอยู่ลึกๆเขาอยากจะกลับเไปถามตตามัฟวิย์ท่นจะมีที่อุบายจะตัดความกังวลอย่างนี้ยังไงคะ เพริจริงๆเขาก็ได้พยายามทำตามที่ท่านสอนอยู่ต้องทำสมาธิให้มากก็นย่าน <Okay. S 2> จิตคงยังจะลงไม่เล็กพอ <Okay. S 2> จิตยังอีในระดับที่คล้ายๆว่าปัญญายังเป็นแบบจินตมยะปัญญาอยู่คือถ้าพิจารณาตอนไหนตอนนั้นมันก็คลายเครียดได้ <Okay. S 2> พอเผลอไม่ได้คิดไปมันก็เผลอคิดไปโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เครียดขึ้นมาได้ใหม่ หรในขณะที่นอนหลับไปนี่เป็นเวลาที่ไม่มีสติควบคุมความคิดถ้ามีเรื่องอะไรที่มันยังผูกพันอยู่มันก็ไปคิดได้ก็คงจะต้องทำจิตให้สงบให้ได้มากกว่านี้ถ้าจิตสงบได้มากมันก็จะตัดได้มากตัดได้ลึกถ้าถ้ามันสงบน้อยมันก็มันก็ตัดได้น้อย แล้วก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงการที่เราจะต้องปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ, ๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปร่างกายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ว่าใครก็ตามทุกวั น, นมึงก็ต้องเจอโรคที่มันรักษาไม่ได้นี่กันทุกคน โลคท่านที่ท่านสุดท้ายโลกโลคคนิตีว่ารักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายตอนนั้นก็ต้องรักษาใจก็คือทาใจให้สงบแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาเพื่อตัดใจไม่ให้ไปอยากกับอยากกับร่างกายอยากให้มันอยากให้มันหายคลีนให้มัน ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงของมันเพื่อมาให้ไปฝูนความความเป็นจริงของของร่างกายมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพยายามแยกใจออกออกจากกายกายเป็นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่กายไม่รู้เรื่องใจผู้ที่รู้เรื่องไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับกาย แต่ใจถูกความหลงครอบงำทำให้ใจคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ทุกข์ึ้นมาฉะนั่งพยายามสอนตนเองอยู่เรื่อยว่าใจเราไม่ได้เป็นอะไรนะที่เป็นนี้เป็นเพียงร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็ดูแลมันไปเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นคนอื่นก็เป็นอะไรเราดูแลช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาไป หายากกินได้ก็กินไปหาหมอได้คำหาไปถ้าไม่ได้ก็ก็ปล่อยให้มันเป็นตายตามความจริงของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครพุทธชนหรือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ร่างกายก็เป็นอันเดียวกันแบบเดียวกันมันมีเวลามันมีเวลาของมันมันมีเวลาที่มันจะต้องแก่มีเวลาที่มันจะต้องเจ็บและมันมีเวลาที่มันจะต้องตาย ถ้าใจรู้ทันนะใจก็เฉยๆใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายไม่ไปเดือดร้อนทำไมเดือดร้อนแล้วได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความโง่มากขึ้นไม่ได้ใช้ไม่ได้ความฉลาดถ้าได้ความฉลาดแล้วก็จะไม่เดือดร้อนแค่นี้ยากไม่ได้เลยแยกกายกับใจยู่ได้นี่นี่เป็นการแยกเชิงทฤษฎี แล้วพอเหตุเกิดเตุการขึ้นเวลาเจ็บไข้เจ็บวดก็เตือนสติอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็นภาวนาไปโดยอัตโนมัติมันก็จะมันก็จะทำได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีสมาธิก็ได้เพราะนี่เราเรียกว่าใช้ปัญญารวมสมาธิเลยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาไปในในเวลาเดียวกันพอมันถึงขีดหนึ่งที่ใจมันร้องอ๋อเออจริงนะเราเป็นไปทุกข์กับมันทําไมเนี่ย แล้วมันปล่อยเพราะมันมันโล่งออกมันโล่งไปเลยอันโล่งได้ทั้งที่ไม่ไม่เคยมีสมาธิมาก่อนเนี่ยแต่ขอให้เราพิจารณาอย่างแบบว่าแม้มันมีช่องของกิเลสมาคอยมาคอยหลอกให้เราไปต่อรองว่าขอตอนให้มันอยู่ต่อไปอหนไม่ได้เหรืออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ไม่ต้องให้มันมาต่อรองมันจะไปเมื่อไหร่ไปเลยให้มันเด็ดขาดไปเลยออืคุณครับ ตง น, นี้มันสมว่าความเจ็บไข่ที่ป่วยเนี่ยนะคะย่งเป็นสมมว่าเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะเป็นมากอย่างเงี้ยที่จริงๆแล้วรูกก็ทราบว่าพระอรหันต์เนี่ยรับรับรู้ความเจ็บปวดก็รู้ว่าเจ็บปวดแต่ตรงนั้นไม่กระเทือนเข้าไปในจิตตอนนี้ส่วนคนอย่างพวกเราเราเนี่ยเวลากระเทือนขันกระเทือนเนี่ยจิตมักจะกระเทือนด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท่านทาารสอนเนี่ยมันมักจะเป็นความจําแต่ตรงเนี้ยมันเป็นตรงที่ทํายากที่สุดก็ต้องทำํำน่าแต่ตอนนี้ไงก็ยังทําก่อนที่มันจะเป็นไง พอมันเป็นแล้วถึงเวลาเราก็จะได้ทําได้ทันทีไม่เจอเหมือนกับทหารถ้าเขาซ้มลบอยู่เรื่อยว่าถ้าศึกศัตรูบุกเข้ามาเมื่อไหร่เขาก็เขาก็สามารถปฏิบัติยอดที่ได้มันทีไม่ใช่มานั่งถามไม่ทําอะไรกันไหมปืนอยู่ที่ไหนเนี่ยปืนของเราก็คือสติปัญญาเนี่ยที่เราต้องคอยเจริญอยู่เรื่อยมันถึงบอกให้ต้องไปเจรณาอยู่เนือง เนืองๆแต่พวกเราไม่ทํากันเนี่ ย, เ, ยเดี๋ยวพอจากนี้ไปก็ไปแล้ว ไ, ไปเรื่องอื่นแะคุยเรื่องอื่นนะจะไปที่ไหนต่อดีจะทําอะไรกันดีต่อถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันไม่มีไม่มีทางที่จะจะหลงจะหลุดได้พอถึงเวลามันก็เตรียมเตรียมรับกับเหตุการณ์ได้เลยพอเป็นปั๊บก็อยากจะหาหมอก็หามียากินก็กิน อยากจะผ่าก็ผ่าอย่างนี้ทำอะไรก็ทำแต่ใจก็ไม่วุ่นวายไปกับมันก็ทำไปหรืออีกละนีหนึ่งก็ว่าขี้เกียจมายุ่งกับมันบ่อยให้มันหายเองถ้ามันจะหายก็หายมันไม่หายก็ก็ไปอย่างนี้ก็ได้วิธีนึงมันได้ทั้งสองวิธีอยู่ที่ใจของเราท่านนั้นถ้าใจเราไม่วุ่นวายทาทำอย่างไรก็ได้แต่ใจไม่ได้ไป ไปมีความหวังหวังว่ามันจะหายนะใจก็แบบว่าห้าสิบห้าสิบเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยเราก็แทงทั้งสองเลยหัวครึ่งหนึ่งก้อยครึ่ง น, นึงถูกทั้งสองทางออกมาทางไหนเราก็ไม่ขาดถูกนะนะอย่าไปแทงทางเดียวอย่าไปแทงว่าต้องหายพร้อมไม่หายไดีเสียเสียหลักเลยรหมดเนื้อหมดตัว <c oughs> ว่าถ้าถ้าหยุดคิดหยุดปรุงไม่ได้ให้ให้เองเข้าหาไตรลักษณ์ใช่ไหมคะตอนนี้พอพอทําไปช่วงแรกๆมันจะไล่เหตุผลไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะมาลงที่ไตรลักษณ์เราะหลังทํำไหวเข้าไหวเข้าเนีย่ยมันเหมือนว่าขั้นตอนจะรัดลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นจริงๆมันก็คือมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็คือพอคิดปั๊บมันก็จะลงไลรักเข้าไปเลยนิ้วนของมันจะแรงขนเรื่อสติปัญญามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนจะเป็นเหมือนเหมือนฟ้าแล้ว แป๊เดียวพออะไรเกิดขึ้นพอมันกําหนดแั๊บมันไปเลยมันปล่อยเลยมันรู้ว่ามันต้องทําอะไรอ่ะเมื่อก่อนไม่รู้พอยนี้พอมันพอมันนึกถึงตายแล้วแป๊บมันก็ปล่อยทันทีอุปทานก็ขาดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันยังเป็นไม่ไม่ไม่แบบไม่แบบค่าว่าอยู่กับเราตลอดตลอดเวลาเพราะในชีวิตของเราเรายังมียึดติดในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังยังหลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราจะใช้ ปัญญาเฉพาะตอนที่มันทุกข์แล้วเท่านั้นแต่เมื่อเราทุกข์แล้วเราใช้มันแล้วต่อไปมันก็จะมีคุมภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นปัญหากับเราต่อไปแต่ตอนนี้พอพอช่วงที่รู้สึกว่ามีความสุขดีก็จะก็จะบอกไปเหมือนกันว่ามันก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเข้ามาพยายามทำทั้งสองทั้งไม่ว่าจะรู้สึกทุกข์หรือสุขก็พยายามพอสุขมากแล้วก็เออวันนี้สุขจังเลยเอ๊แต่เดี๋ยวมันก็คงจะต้องทุกข์ อย่านี้ก็ดีเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ใดที่เรายังมีร่างกายอยู่นี้เรายังต้องทุกข์กับมันอยู่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราพร้อมกลับรับสภาพกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้หรือไม่นี่อาจจะเป็นการบ้านอันหนึ่งที่เราควรที่จะซ้อมทําไว้ก่อนจนซ้อม รับกับความเจ็บไข้ได้ปวดในการนั่งสมาธิไปให้มันเจ็บให้มันปวดไม่ต้องให้มันรวมไม่ต้องให้มันสงบหรอกนั่งไปให้มันเจ็บให้มันปวดแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ความเจ็บปวดอันนั้นว่าใจของเราจะรับมันได้หรือไม่ใจของเราจะปล่อยวางให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันได้ไหมซึ่งถ้ามีปัญญาเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องทําใจรับมันให้ได้ ใจเราสักวันหนึ่งมันก็จะยอมรับมันเพราะเมื่อมันยอมรับแล้วมันจะไม่ทุกข์ความเจ็บปวดอาจจะไม่หายแต่ความทุกข์ในใจมันจะหายไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นเยอะกว่าตอนที่มันมันรักไม่ได้ตอนที่มันรับไม่ได้นี่มันทรมานใจความทุกข์ทรมานใจนี่มันมากกว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่ นี่คือสิ่งที่เราเป็นการบ้านหรือเป็นข้อสอบที่เราควรที่จะคำนึงถึงเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วความเจ็บปวดก็ดีความกลัวสิ่งต่างๆก็ดีก็เช่นเดียวกันเรากลัวอะไรเราต้องเราต้องแก้มันให้ได้กลัวาตายเราก็ต้องแก้มันให้ได้กลัวเจ็บปวดก็ต้องแก้มันให้ได้กลัวความหิวก็ต้องแก้มันให้ได้ด้วยการเผชิญกับมันถ้ากลัวหิวก็ต้องหัด อดข้าวอดอาหารให้มันหิวให้หนึ่งหิวเราจะได้มีมีมมปัญญาใช้ในการที่จะรับกับความที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านอดข้าวได้ตั้งส9เก้าวันท่านยังไม่ตายเลยเราเพียงแต่อดวันเดียวมันจะตายหรือไม่ตายให้มันดีไปแต่ถึงที่เราจะได้ก็คือจะได้ปัญญาได้สติได้ธรรมะที่จะนักษาใจ ให้ทนอยู่กับสภาพของความผิดนั้นได้โดยไม่เดือดรอ้อนอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะฝึกทำกันอย่ารอให้มันมาหาเราเพราะว่าถ้ามันรอถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เรายังไม่ได้ได้ได้ฝึกขัดรับรับรับกับมันเราจะไม่มีเราจะรับรับกับมันไม่ได้ ในสภาพชีวิตของเราตามปกตินี่มันยังถือว่าเป็นสภาพที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยยังไม่ท้าทายกับสติปัญญาของเราคบางทีเราก็ต้องปรับสภาพให้มันท้าทายเพื่อจะได้กระตุ้นให้เกิดสติเกิดปัญญาเพื่อจะได้มีคุมคุมกันป้องกันใจในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา ก็วเวลาในที่สุดร่างกายนี้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายมันจะต้องมีเวลาที่มันกินอะไรไม่ได้บ้างมันต้องหิวต้องทรมาแต่ถ้าเราเคยฝึกมาแล้วนี่ใจเราจะไม่ทรมานไปกับความหิวของร่างกายด้วยการอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นอย่างก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกเหมือนกันเพราะว่าพวกเราก็กลัวความเหงาเหมือนกันอยู่คนเดียวแล้วมันอย่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ อะไรที่มันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนี้เราต้องแก้เราต้องพยายามฝึกซ้อมซ้อมแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดความเคยชินกับมันเมื่อเราเกิดความเคยชินแล้วเราจะไม่กลัวมันถ้าเราต้องสัมผัสมั น, มนอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะปรับกับมันได้ขอเราขอให้เราพยายามอย่าอย่าประมาทนอนใจ ตอนต้นเราก็พี่น้องเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดซาก จ, จากกันเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นเพียงเชิงทฤษฎีค อ, อสอนเตือนใจให้เราเตรียมรับกับสภาพเมื่อถึงอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเมวื่อเราพร้อมหรือยังที่จะรับกับสภาพอย่างนี้เมื่อพร้อมเราเราก็ต้องไปทดสอบดูถ้าเจ็บเราก็ลองนั่งสมาธิให้มันนานๆให้มันเจ็บไปมันเจ็บปวดยังไงกที่ ว, ว่ากรรมเหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็ฝึกรับกับความเจ็บปวดนั้นพยายามทําใจให้นิ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับความเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดอย่างไรก็ปล่อยมันไปเราจะใช้การบริการพุทโธสวดมนต์ไปก็ได้ด้วยจะพิจารณาว่ามันเจ็บปวดแค่นี้ก็ไม่มันจะมันก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรเราร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทำไมใจจะต้องไปมีปฏิกิริยาอะไรกันเัย การมีปฏิกิริยาเนีกลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจมากกว่าการย อ, ยอมรับมันแล้วทําให้ใจสงบได้นี่เหมืนกลับเป็นประโยชน์มากกว่า<ม>คือเราต้องพยายามยอมรับกับเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้ได้ถ้าใจยอมรับได้แล้วใจมันก็จะไม่มีการต่อต้านไม่มีการต่อสู้เมื่อไม่มีการต่อต้านต่อสู้มันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเล ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการอยู่คนเดียวการทักทากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลองอยู่คนเดียวดูแล้วพยายามใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธินี้มารับกับเหตุการณ์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทำอะไรก็พุทโธพุทโธนั่งหลับตาหรือถ้าเบื่อก็เปิดหนังสือธรรมะอ่านก็ได้ หรือถ้าพิจารณาทำเป็นก็พิจารณาทำมะไปเลยก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายต่างๆต่านของขอ ง, ของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ดีพิจารณาไปให้มันถึงแก่นของมันเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเรื่องสิ่งที่เราคิดเนี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็น มันเป็นเป็นขั้นหนึ่งของความจริงความจริงที่เราเห็นนี่มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตรงที่ร่างกายเราทั้นั้นร่างกายเราจากจากที่มันเป็นอยู่ขณะนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรตอนหน้านี้ตอนที่มันจะมาเป็นร่างกายมันมันเป็นอย่างไรเมั่อนี้ที่มามีที่ไปแ้าเราพิจารณานี้มันก็เผยแล้วมันก็จะเห็นวสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมาจากธาตุสีทั้งนั้นนมาจากดินน้าลมไฟ ร่างกายนี้มันถ้าไม่มีดินหน้ำลมไฟคืออาหารมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างที่มันเป็นมีอย่างนี้ได้ทีเดียว ม, มันแปลงอาหารมาเป็นอาการ32แล้วจากอาการ32มันก็แปลงกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลองลองลองลองลองเช็คดูสิลองชี่ดูไม่มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่เป็นดินน้ําลมไฟ แต่ว่ามันจะมีอะไรมากกว่ากัน น, นั่นเองถ้าของแข็งก็แสดงว่ามีาธาตุดินมากกว่ า, าธาตุอื่นแต่ถามว่ามีาธาตุไฟอยู่ในนี้ไหมมีลองมาจุดไฟดีเลยพอจุดไฟแล้วมันก็จะไหม้ขึ้นมาเลยนั่นก็าธาตุไฟม า, าธาตุดมก็มาเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นแค่ น, นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆกันจับส่วนมันต่างกันในน้ํานี่ แต่ว่ามีมีของแข็งไหมถ้าเรามีเครื่องกรองหรือมีเครื่องฉายดูแล้วก็อาจจะเห็นว่ามีของของที่มันเล็กที่เรามองไม่เห็นด้วยตาที่ยังเป็นของแข็งอยู่กนะ็ได้มันจะมีน้อยนี้มากของบางอย่างที่นอีกเราใส่ส่วนผสมเข้าไปพวกสีนี่มันก็เป็นมันก็เป็นของแข็งแล้วมันก็เป็นดินแต่พอมันละลายไปในน้ำมือกลายเป็นมองไม่เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการผสมของธาตุดินน้ำลงไฟในสัดส่วนต่างๆกันแล้วเราก็มาตรงดีใจมาเสียใจร้องผมล้องไ ห, ห้กับดินน้ำลงไฟนี่นะพวกเรามาจากที่ไหนกัน ก, ออกม็มาจากในโลกม า, มาจากในโลกนี้เวลาใจมาใจก็ไม่ได้อะไรมาด้วยใจก็มาใสา่สิ่งที่มีในโลกนี้มามาผลิตมผลิต ถาใช่พ่อแม่เนี่ยเป็นโรงงานผลิตร่างกายพ่อแม่เป็นคนเริ่มต้นผลิตให้เชื้อออกมาแล้วก็เอาอาหารไปไปเติมมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างจากงาสองหยดเมื่อผสมกันแล้วมีการปฏิสนธิแล้วก็มีก็มีอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงก็มีการเจริญเติบโต เริ่มีโครงกระดูกเริ่มีอวัยวะต่างๆแล้วพอโตขึ้นจนอยู่อยู่ในท้องไม่ได้มันก็ต้องออกมาออกมาแล้วก็มีการให้น้ําให้ดื่ให้อาหารต่อต่อไปอีกก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆน้ําที่เข้าไปในร่างกายก็แปลงเป็นหนังเป็ น, น, ปนผมเป็นขนเป็นเลือดเป็นฟันเร็นเนื้เป็นเอ็นเป็นกระดูก มันก็เป็นอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะหยุดหยุดผลิตเมื่อมั น, มนผลิตแล้วมันก็เริ่มเสื่อมต้นต้นช่วงแรกของชีวิตนี้มันการเจริญมันจะมีมากกับความเสื่อมแต่พอขึ้นถึงกลางกลงทางประมาณอายุสี่สิบปีแล้วนี้ความเจริญกับความเสื่อมมันจะเริ่มเท่ากันแต่หลังจากนั้นนละความเจริญก็จะน้อยลงความเสื่อมก็จะมีมากขึ้น ร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลงไปแล้วพอถึง80 90นี้ความเสื่อมมันจะมากกว่าความจเจริญแต่ในถึงที่สุดความเสื่อมมันก็จะเต็มร้อยความจเจริญไม่มีเลยมันก็จบมันก็แยกทางกันการประชุมของดินน้ำลูไปก็ถึงเวลาที่จะต้องไปคนละทุกคนละทางกันน้ำก็ไหลออกมาจากร่างกาย ทิ้งให้ร่างกายนี้แห้งกรอบเไปก็ออกไปจากร่าง้แต่ขณะที่หมดลมหายใจร่างกายคนตายไปจับตัวดูก็จะรู้ว่ามันเย็ น, ม, น ม, มันไม่อุ่นเหมือนกับคนทีม่มีชีวิตอยู่ลมก็ระเหยออกมาเร้่กลิ่นที่โชยออกมาช่นนั้นก็เป็นลมอันที่สุดก็ไปคนละทางกันเลมไปทางน้ำไปทางกลิ่นไปทาง ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมันตัวตนของเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจในใจที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราตัวที่คิดจะไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายซะหน่อยแต่ต้องมาล้อห่มล้อไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงเลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของลรา เกิดความหลงเกิดเกลีเกิดความทุกข์ทุกข์บายที่จะให้กลับมากลับมาสู่ธรรมะในใจท่านจะให้สุบายก็อยู่ที่เราเว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเรามากนะ้นอยเพียงไร ถ้าเรามีน้อยเราก็เราก็หาแล้วก็มันก็มีน้อยเังั้นเราอย่าไปรอตอนที่มันทุกข์แล้วค่อยหาธรรมะเราต้องสะสมธรรมะไว้ก่อนที่มันจะจบทุกข์ถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยเอไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมเลยเราก็ควรจะฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากขึ้นแล้วเราก็ต้องปฏิบัติ คบคู่ไปด้วยต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องทําสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องพิจารณาความความเสื่อมอยู่เรื่อยๆความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆมันถึงจะมีธรรมะพอเกิดกิเลสมันก็จะมีธรรมะมาคอยต่อสู้เหมือนกับเหมือนกับสะพานเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งนีก็เสียงมากกว่า อีกฝ่ายมีเสียงน้อยกว่าเขาออกกฎห ม, มายอะไมาเขาก็ออกผ่านหมดผ่านหมดถ้าเราอยากจะไม่ให้กฎหมายเขาผ่านเราก็ต้องหาหาเสียงข้างมากมาให้มาเข้าอยู่ฝ่ายเราให้ได้ถ้าเราฝ่ายเรามีเสียงข้างมากกว่าฝ่ายเขาก็จะสู้เราไม่ได้ตอนนี้กิเลสมันมีมากกว่าธรรมะ ม, มันก็เลยสร้างความทุกใครกับเราและ แล้วตอนที่มันไ ม, ม่มันยังไม่สร้างความทุกข์ยังไม่เราก็ประมาทเราไม่คิดสร้างธรรมะกันขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมรับกับกิเลสเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี้จะไม่ไม่คนที่ไม่เคยเข้าวัดจะถามว่าไปทําไมไปวัดทําไมไปฟังเทศทําไมฟังแล้วมันได้อะไรเพราไม่รู้อ่ะเพราะไม่รู้คุณค่าของธรรมะว่าเป็นอย่างไง เราะฉะนั้นถ้าเราได้เริ่มสัมผัสรับรู้แล้วว่าสิ่งที่จะแก้ความทุกข์ทางใจได้ก็คือธรรมะเราก็ต้องสร้างธรรมะให้มีไว้ให้มากๆธรรมะก็เป็นเหมือนกับยาถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราจะต้องเจ็บไข้ได้ปวยต้องปวดท้องปรรวดศีรษะเราก็เตรียมยาแก้ไว้ก่อนในบ้านพอ ถ, ถึงเวลาที่เกิด อาการเจ็บท้องปวดท้องหรือปวดศึรษะขึ้นมาแล้วก็จะได้หยิดยามารับประทานได้ถ้าเราไม่เตรียมยาไว้ถึงเวลาจะทำยังไงก็ต้องทนไปถ้าไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ก็ต้องก็ต้องทนกับอาการเจ็บปวดนั้นไปจมการมันจะหายเองพอร่างการาหลับแี้วนะคะเิเลจวจิและดวงจิตเราจะไปทางไหนคะ คือถ้าเราทําทั้งบุญทามีทั้งบุญก็มีทั้งบาปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับเราจับฉลากเนีเราจะจับได้เบอร์ไหนล่ะใช่ไหมถ้าเราจับได้เบอหนึ่งเขาบอกให้ไปทางนี้ก็ต้องไปทางที่เราจับฉลากที่ฉลากนี้เราสามารถสะสมได้ถ้าเราต้องการไปที่ดีแล้วก็สะสมฉลาที่ดีไว้ในในที่เราจะจับเยอะให้ไว้มากหอส่วนถ้าฉลากที่เราไม่อยากจะไปเราก็พยายามอย่าให้มันมีเรื่องมีให้มันน้อยที่สุด คือทำบาปให้น้อยที่สุดทำบุญให้มากที่สุดพอถึงเวลาเราจะไปแล้วก็มือล่วนเข้าไปในกระกระปลูกนั้นแล้วหยิบฉลากขึ้นมาถ้าในในกระปลูกนี้ส่วนใหญ่มีแต่มีแ ต, มแต่มีแต่บุญทั้งนั้นหยิบใบไหนมันก็เป็นบุญมันก็ไปทางบุญนะแต่ถ้าใน ใ, ใ, ใ, ใ, ในในในในกระปลูกนั้นมีแต่บาปทั้งนั้นหยิบใบไห น, นขึ้นมาก็เป็นบาปมันก็ไปทางบาปเราเลือกเองค่ะบัดนี้แล้วอะค่ะ แล้วเมื่อได้ไหมะได้ทีพระเสดดาบันนี้ท่านไม่ไม่ไปทางทางทางอบายแลย<ม>้วไงถ้าเป็นพระเสดดาบันนี้ท่านท่านจะท่านจะไปแต่สุคติท่านจะไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในไม่เกินเจ็ดชาติแต่พ้าหลังแต่พ้าเสดดาบันนี้ท่านท่านไม่กลัวความตายท่านเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา แล้วก็ท่านก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดระหว่างการทําบาปกับการเสียชีพกับรักษาชีวิตนี้ท่านยอมเสียเสียชีวิตกว่าไปทําบาปเช่นท่านไม่มีข้าวกินนะั้นทานต้องไปยิง น, นกตกปลาเพื่อหาเพื่อมาเป็นอาหารนี้ท่านก็จะไม่ไปทำอย่างนัท่านยอม อ, อตายดีกว่าไปไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาเขามาเป็นอาหารถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็จะจะจะมีปัญญา เวลาจับฉลากนี้ไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องจับรับเลือกได้ยัง <c oughs> มีปัญญาเลือกได้อแต่แม้จะทําบาปมามากมายก่ายกองถึงว่าในกระบอกนี้มีมีบาปมากกับบุญแต่เรายังสามารถเลือกได้เพราะเรามีปัญญาพระโสดาบันท่านบรรลุได้ด้วยปัญญาเรามีปัญญาท่านเลือกได้ว่าระหว่างการทําบาต่อการยอมเสียชีวิตนี้ท่านยอมเสียชีวิตนี่ใช้ปัญญา เมื่อมีปัญญาอย่างนี้เวลาเส้เวลาตายไปท่าเก็เลือกเอาสุคติได้แต่ถ้าเป็นบุตุชนนี้เลือกไม่ได้ถึงแม้จะได้ฌานแต่ถ้าได้ฌานถึงเวลาเสียชีวิตไปก็จะไปไปสู่ไปสู่ท่นานฌานทันทีเพราะพวกนี้เขาสามารถทำทำจิตให้สงบได้ในขณะที่เขาตายไปตอนก่อนที่เขาตายไปเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองลูป ที่ตายไปนี้ท่านก็ทราบว่าได้ไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นพรหมโลกเพราะเขาสามารถควบคุมจิตใจให้ให้อยู่ในระดับนั้นได้เน้นถ้าอยากจะไปฌานก็พยายามทาสมาถ้าอยากจะไปพรหมโลกก็พยายามทำสมาธิให้ม า, จากจนเราสามารถเข้าได้เข้าออกได้ตลอดเวลาต้องการจะเข้ามาแหล่ก็เข้าได้ เป็นพอเวลาจะตายปั๊บก็กำหนดจิตให้สงบนิ่งให้อยู่ในสมาธิมันก็จะไปในระดับนั้นสมบูรณนทีถ้าถึงตอนช่วงมันตายถ้าเกิดมีการอาการเจ็บปวดเป็นทนไม่ไหวอย่นี้แล้วลอพท่องพุดทโถทคือทอไปเรื่อยๆอย่างนั้น้ดใช้มัด้วรค่ัะก็ต้องลองต้องลองทำตอนนี้ดูนะ่ยอนนั่งนั่งให้มันเจ็บปวดแล้วเราคึดโถดูว่ามันจะนิ่งไหม <c oughs> แต่ถ้านิ่งได้ก็ใช้ได้ แต่ต้องนั่งหลายชั่ว โ, นะโมงเนี่ยแต่น้องตาท่านนั่งแปดชั่วโมงเนี่เพราะว่าความเจ็บปวดมันมีหลายระดับเนี่ย <c oughs> ระดับขนาดเท่ากับตัวหนู <c oughs> แล้วระดับถึงเท่ากับตัวช้างใช <c oughs> ่ว่ามันมีหลายระดับด้วยกัน <c oughs> ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะจะไปไหนตอนที่เราตายก็เราต้องฝึกทำตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือเราไปไปที่มันน่ากลัวน่ากลัวที่เราจะต้อง จะต้องปร่งตายว่าเราจะปรงได้ไหมถ้าเรายอมตายแล้วจิตเรานิ่งเฉยสงบเวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะนิ่งสงบมันจะไม่หวาดวิตกแต่ถ้ามันตื่นเต้นตกใจวิ่งก็จะก็เจงไปเลยเนี่ยแสดงว่ามันไป <c oughs> มันไปไหนก็ไม่รู้อะ <c oughs> <c oughs> ของพวกนี้เรา <c oughs> เราพิสูจนได้ <c oughs> เราคิดได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เนี่ยก็ที่เมื่อกี้สอนก็บอกว่าเนี่ยกลัวอะไรก็ต้องไปไปแก้มันกลัวผีก็ต้องไปหาผีกลัวความตายก็ต้องไปหาความตายกลัวความเจ็บปวดก็ต้องไปหาความเจ็บปวดกลัวความหิวก็ต้องไปหาความหิวกัวกลัวคนก็ดุด่าก็ต้องไปหาคนที่ชอบดุด่าให้ท่านละให้ท่านเดิมให้ด่าจนกระทั่งเราจิตเรานิ่งเฉยไม่เดือดร้อน มันเป็นการฝึกจิตเนี่ยเช่นอย่างนี้จิตมีปัญหากับอะไรก็ต้องไปแก้กับสิ่งนั้นขออนุญาตเรีนถามค่ะคือคําว่าทนเนี่ยค่ะคือเรารู้คือทนคือเราเจ็บแล้วเราต้องทนต่อไปหรือว่าเรารู้ว่าเราเจ็บแล้วเราก็มีสติที่จะรู้ว่ามันเจ็บแล้วเราก็ขยับเพื่อที่จะไม่ให้มันเจ็บคําว่าทนนี่มันคงจะทนไม่ได้ เพราะว่าวกำลังที่จะทนมันนี่มันมีรไม่มากพอกแต่ต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องทนเป็นเพียงแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับเท่านั้นเอง <S <S <S <S ของเมื่อยังไม่เจ็บแต่เรายังรับไม่ได้เราก็ทุกข์ได้ที่เราคนอื่นทำอะไรหรือพูดอะไรที่เราไม่ชอบใจเรารับไม่ได้เราก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเราทำความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ มันเราต้องรับมันตามความจริงของมันพอเราอยอมรับความจริงนี้เราก็เราคือเราจะถามตัวเองว่าเราอยากจะทุกข์ยหรือจะไม่ทุกถ้าเราอยากจะทุกข์เราก็ก็ยอมก็พะยะก็ก็ไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกเรายอมรับมันมันก็จะไม่ทุกขนั่นมันอยู่ที่การการการสอนใจให้ยอมรับกับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ในขณะใดที่ใจเรามีความความทุกข์กับสิ่งหนึ่งสิงใดเราต้องพยายามปรับใจของเราให้รับกับสิ่งนั้นให้ได้เขารับกับสิ่งนั้นได้มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความเจ็บปวดของร่างกายมันก็เป็นสภาวะสภาพหนึ่งที่เราต้องทำเราต้องเราต้องยอมรับให้ได้และวิธีที่รับได้ก็คือพยายาม พยายามเจอมันบ่อยๆให้มันเจ็บบ่อยๆนั่งไปแล้วพอมันเจ็บแล้วอยากไปทุกแต่อยากไปทนแล้วก็อบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันมีเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างเวลามันเจ็บเราก็ไปบังคับให้มันหายไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราไม่ต้องไปทุกข์กับการเจ็บนั้นได้ถ้าใจเราไม่ไปต่อต้าน ใจยังไม่ไปรังเกียจถ้าใจเราชอบอะไรนี้สิ่ง น, นั้นจะไม่เป็นปัญหากับเราเช่นของเผ็ดอย่างนี้นคนที่ไม่ชอบกินของเผ็ดพอต้องกินของเผ็ดนี่จะทุกข์ทรมานใจเพราะเขาเขารับไม่ได้กับความเผ็ดแต่คนที่ชอบความเผ็ด น, นี้นเผ็ดเท่าไหร่นี่อด้วยเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนกันเนี่ยของอย่านี้มันอยู่ที่ ว่าเราจะทําใจให้เราลชอบกับสิงที่มันเกิดขึ้นในขนาะนั้นได้หรือเปล่าถ้าเราชอบแล้วมันก็ไม่เป็นปนัญหาพอเราไม่ชอบครับเป็นปนัญหาจากเราแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่เป็นปนัญหาเราไม่ชอบฟังหมอลาอีกคนนึงก็ชอบฟังหมอลำนี้เขาเปิดแล้วก็ก็ยิ้มย้ําสุดก็มีความสุขกับการฟังไอ้เรานี่ย โ, โห <c oughs> หลังคาใจเลยเมื่อเมื่มอไหรจะอยู่ทักที <c oughs> มันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิธีเสริก็คือหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอ บ, ชอบอแล้วก็อย่าไปชอบในสิ่งที่เราชอบในะสิ่งที่เราชอบก็อย่ า, ย า, ย า, ย า, ยายไปอย่าไปอย่าไปอย่ า, ย า, ยายไปหามันนอกจากมันมาเองก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่ า, ยายไปแสวงหามันเวลาจะกินอาหารก็เลือกอาหาร hungry. ที่เราไม่ชอบกิน คนอื่นก็กินได้ Jamie, lonely, uke, at, แต smiled, poor, ่เรากินไม่ได้คนอื่นก็ชอบทำไมเราเราผ่านเราไม่ชอบสมัยก่อนก็ไม่ชอบกินมะละแต่ต่อมารู้สึกว่ามะละกินแล้วมันมีประโยชน์ก็ฝืนๆืนืนฝืนกินมันกินมันเราไปมันก็ชอบได้เมื่อก่อนก็ไม่ชอบกินผักเดี๋ยวนี้รู้ว่ากินผักแล้วมันมันระบายสบายเ๋ยกินผักดีกว่า เห็นคุณค่าของสิ่งต่างนั้นปัญหาของเราส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าความชอบและไม่ชอบนี่เองเราต้องพยายามดึงจิตของเราให้เข้าสู่กรงกลางตรงกลางคือระหว่างความชอบและไม่ชอบคือเฉยๆได้ทั้งนั้นอย่างนั้นนจะดีที่สุดเผ็ดก็ได้ไม่เผ็ดก็ได้ร้อนก็ได้เย็นก็ได้กินกาแฟร้อนแล้วลองมากินกาแฟที่เย็นชื่นดีบ้างก็ได้ มันเข้าไปในท้องแล้มันก็เหมือนกันมันก็ทําหน้าที่อย่างเดียวกันากนนี้เผ็ดแล้วปวดท้องแต่ถ้ามันถ้ามันเป็นทางด้านเรื่องทางด้าน อ, อทางด้านแทยหรือว่าเกี่ยวกับเป็นเป็นโทษเราก็อย่าไปกินไม่ได้ไม่ได้บางท่าให้่กินทุกอย่างทำทุกอย่างแต่โทษถึงในในกรณีทุษทั่วไปที่มันจะต้องเกิดขึ้นขึ้นความเจ็บปวดอะไรอย่างเนี้ย มันจะช่วยลดความทุกข์ทรมานใจลงไปได้เยอะถ้าเรายอมรับกับความเจ็บปวดได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ทรมานใจมันก็จะน้อยลงไปถ้าเรายอมรับกับความสูญเสียได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ทรมานใจก็จะลดน้อยลงไปถ้ายอมรับกับความทุกข์ยากลําบากได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ทรมานใจก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าเอาแต่สุขอย่าแต่สบายไปอยู่วัดบ้างไป ไปอยูนวัดที่ไม่มีห้องแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีฟูกไม่มีน้าประปาไม่มีห้องน้าในกุฏิต้องไปใช้ห้องน้ำข้างนอกหรือว่าต้องไปใช้น้ำที่บ่ออยู่แบบยากลำบากมากอย่ า, า <c oughs> แต่สดแต่สบายเพราะมันจะเป็นกับดักของกิเลส เหมือนจะไม่สามารถที่จะก้าวพ้นความทุกข์ไปได้คนที่จะก้าวพ้นความทุกข์ไปได้นี่จะต้องกล้าหาญกับความทุกข์ยากลําบากความเจ็บปวดความหิวความกระหายความหวาดโกลัต่างๆนี่คือฝากาน้ำที่กั้นระหวา่างวัฏจักรกับกับพระนิพพานแล้วา่าใครก็ตามที่จะต้องก้าวไปสู่พระนิพพานนี้จะต้อง ต้องต้องผ่านข่าน้ำเหล่านี้ไปให้ได้บางครั้งมันถ้ามันเจอทุกข์มากๆกับค่ะมันสติมันก็หลุดเหมือนกันนะคะกว่าบางคนเนี่ยถ้าเจอทุกข์มากๆที่มันหลุดไปเลยแทนที่จะถ้ามันหาทางไม่เจอก็ต้องฝึกสติให้มันให้มันมีกำลังมากขึ้นนี่สาเหตุอย่างนึ้งที่หลวงตาท่านพยายามที่จะเขีเข่ยวเข็นท่านเองเวลาอยู่กับท่านนี่รู้สึกว่าโห<ม>้ ความทุกข์มันมามันทำให้เราต้องพยายามตมิตสติขึ้นมาให้ทันรับกับความทุกข์เพราะท่านจะคอยที่คอยคอยกระ น, นำใส่ตลอดเวลาต่มันดีเพราะมันทำให้เราต้าปลูกสติขึ้นมาแล้วไม่ได้ไปแก้ที่ไหนหแก้ที่ตัวเราเองทำให้ใจเราเย็นให้เราสบายให้เรารับกับการที้กับการดังขบกูดัน ที่สที่สบายเราจะไม่ค่อยมีความจําเป็นจะต้องใช้สติมากเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกับว่าไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่จําเป็นจะต้องกิญยาแต่ถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่มันบีบคั้นจิตใจเรามากเนี่ยวิธีที่จะทําให้จิตใจเราสงบเย็นได้ก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาเนีนักบวชนักปฏิบัติจึงต้องไปอยู่ที่กันได นี่ยากลำบากเพราะมันจะเป็นการบังคับให้เกิดมีสติขึ้นมาจะอยู่การป่าเวลาเดินไปไหนมัไหนจะเดินเออเรหย่อลอยลมไม่ได้จมันจะมองอยู่ที่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาว่ามีสัตว์มีงูค้างมีอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นการฝึกสติขึ้นมา ถ้อยู่ที่ไหนปลอดภัยนี่เวลาเดินไปบางทีเดินไปสองคนคุยกันไปเทินเลยไม่ได้มองข้างหน้าเลยว่าจะมีอะไ ร, รจะปัดเวลานั่นงภาวนาแล้วจิตตกระวงังกับจิตเป็นสมาธินี่ต่างกันตรงที่มีผู้รู้หรือเปล่าใช่ ม, มันอันเดียวกันอะสมาธิกับรวังกันเดีวกันอัเดียวกัน บางทีเวลานั่งเรารู้สึกว่ามันเบลอเหมือนจะนี่มันมันผวังหลับเลยกำลังผวางหลับกำลังผวังผวางหลับแต่ผวังของสมาธิใช้คําเดียวกันแต่ถ้าถ้าเป็นผวังหลับก็ไม่รู้สึกตัวกำเคิมไปกำเคิมไปแต่ผวังของท่าอาจารย์หมายถึงว่ามีมีผู้รู้คือรู้มีสติเมื่อเราคุยกันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าจิตมันลุกัวไปข้างหนแต่แต่สติก็ยังยังยังสติสัมปชัญญะยัง มีอยู่ครบลอยถ้าข้เครื่แล้วก็ลูกออันอนั้นหลับแต่ข้องเครื่องทำไมเครื่องนี่มันก็บอกแล้วนม่ีความสุขจังเมันหายเงียบไปมันหายเงียบไปบางทีเวลาฟังฟังท่านจันเทศเนี่ยก็ทำสมาธิบางทีไม่ได้ยินเสียงพี่ท่านจนเทศอันนั้นเป็นพัง่เพราะว่าเดินอยู่ภายในอ๋อไม่เหรอเป็นเป็นเพราะว่าจิตของเราเข้าข้างในแล้วเราไม่เราไม่รับฟังเสียงไม่รเสียง เพาวังหลักบแจะแก้ยังไงอ่ะก็ต้องไปนั่งที่กลัวๆที่น่ากลัวน่ากลัวที่หลับไม่หลงแต่ใน้าที่ส่างช่านี่มันจะไม่หลับแล้วไปนั่งไปอยู่ตามวัดป่าที่มีปุติในป่าอยู่คนเดียวออย่างี้ที่ไหนที่เรากลัวตรงนั้นมันจะทําให้เราไม่หลับวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราหาที่น่ากลัวไม่ได้ก็โอตอานี้ เวลาอดอาหารแล้วท้องมันจะมันจะร้อนมันจะรู้ความผิวมันก็จะไม่ค่อยว่วงเท่าไหร่นอนไม่ค่อยหลับคนที่ไม่ได้กินอาหารท่ติดมันก็จะไปอยู่ที่ท้องตลอดเวลากลัวกลากลักล้าอยู่ท้องถึงบอกว่านักปฏิบัติจะไปกลัวความผิวเพราะความผิวนี้จะเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติการอดอาหารนี้ พระวาจาบ้านต่างนี้ใชอด ก, กันประจําทั้งในพรรษาและนอกภรรษาไปที่วัดทีไรก็ไม่มีพระลงมาฉันครบทุกทุกทกวันเพราะมันเป็นประโยชน์มันช่วยให้สติมีมันไม่ไม่ว่า ม, มันไม่ง่วงเหงาเหานอนเวลานั่งนี่ก็จะไม่หลับแล้วมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องทำสมาธิ พราะถ้าเราไม่ทำสมาธิเราเผลอจิตเราจะคิดถึงเรื่องอาหารยิ่งทรมารย์ใจไป <c oughs> คือหิวที่ร่างกายแล้วไม่พอไปหิวที่ใจหิวที่ใจนี่รุนแรงกว่าหิวของร่างกายอีกหลายเท่าดงั้นพอเราทาพอเราทำสมาธิดับความหิวทางด้านของจิตใจ แ, แล้วความหิวทางร่างกายนี้มันรู้สึกเล็กน้อยไม่ไม่ไม่มีไม่มีความมีแรงเท่ากับความหิวของทางทางจิตใจ มันก็เลยทำให้บังคับให้เราต้องภาวนาะอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิเรื่อยๆจ ง, งกรมควบคุมจิตใจอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติมันก็คื้นหน้าไปอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์ใช้วิธีอดอาหารหรืออดนอนค่ะสรับท่านอาจารย์อดอาหารนอนก็นอนตามปกติตื่นก็สี่ห้ชั่วโมงเป็นปกติท่าอาจารย์งานสุดกี่วันค่ะไม่ไดไ้ไม่ได้ไม้งใจจะเอาเศรษฐี ดูดูว่าบางที่มันอดมากเกินไปนี่มันจะเบลอมันจะมันจะไม่เป็นประโยชน์ก é, うう็แต right. yeah. so ่ก็บางครั้งก็เกิดกิเลสอยากแะ่อดเป็นวันเหมือนกันก็เคยได้พักเก้าวันเหอก้าวันแต่บางองค์ท่านสิบห้าวันก็มียี่บวันก็มีเดือนหนึ่งก็มีแต่ท่านก็มีอาหารเสริมช่วยอยู่บ้าง ที่อดยาวๆขนาดนั้นมางทีพระท่านโดยเดินสบายกับมาได้นมกล่องแล้วก็เอาไปฝากยาเดยียวมีบงมีแบรนอะไรเงี้ย น, นี่ตอนบ่ายก็สานชวงน้เพึ้งช็ากโล็อ ก, กชอก็ากโกแลตนี้มันก็ทําอยู่เดือนเดือนนี้มันก็อยู่ได้มีของกินของเคี้ยวแต่หลักของการภาวนาไม่งานออาหารนี้ไม่ให้ประยึ์จํานวนวันเป็นหลัก แต่ให้ยึดว่าการออาหารนี้เป็นเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เราภาวนาให้เราได้เจริญสติได้สมาธิได้ปัญญาถ้าเราอดไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวก็อยา่าไปอดนั่นคือบางทีมันอด้มากๆนี่มันไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิมีแต่ดื่มนมหรือดื่ ม, มน้ําชากาแฟเพื่อที่จะให้มันมีน้ำซับนอนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ภาวนามันก็ไม่ได้ไปอยู่วันน แต่ไม่ได้สถิติถ้าไปแข่งโอลิมปิกก็อาจจะได้เหรียญทองแล้วเข้าอาจารย์เคดีไหคะฮะอไม่เคยเคยอาจารย์เคยที่มาอยู่วัดยามนี่ใหม่ๆเคยตอนช่วงวันที่เขาวันวันทีสามกางวันวันมาค้านี้เขาจะมีส่วนมนต์รัแสดงธรรมเทศนาสลับกันจนถึงตีสามก็เคยอยู่ช่วงมาใหม่ๆตอนนั้นหลังยังไม่ค่อยเจ็ดเท่าไหร่ก็ก็เคยอยู่ เมื่อหลังจากเวียนทีแล้วก็จะไปรวมกันที่ศาลาสว่วนมนต์สวดมนต์ไหว้พระกันแล้วก็มีพระ แ, ะแะสะแดงธรรมเทศนาสานําสสสหรับกลุญาติโยมส่วดมนต์สละกันไปหอมบึ้กถ้านั่งเมื่อยก็ออกไปเดินนั่งออกไปเดินจงกรมบ้างแล้วเขาก็มีน้าาําชากาแฟอยู่ข้างนอกให้ใหดื่มถ้าอย่างถ้าวุ่นแล้อนอนหรือ ว, ว่าถ้าไม่ไหวก็อาจจะไปเองหลังสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นก็ยังก็เ ค, ย, คยทาำอยู่ แต่มันมรู้ึกว่าไม่ไม่ค่อยเกิดประโยชนเท่าไหร่ชั่ว<ๆ>เราปฏิบัติของเราตามปกติตาให้มันสม่าสมําเสมอดีกว่ารู<อ>้ก<อ><ๆ>็สังเกตคราวนี้เพราะว่าหลังจา ก, กนเนรัตชีแล้วเนี่ยมีคราวรู้สึกว่าถ้าเราได้นอนคืนสามชั่วโมงแล้วตื่นสักสองยามตลอดอย่าเงี้ยนะจะดีกว่าเอถ้าเรามาอยู่ทั้งคืนตอนช่วงหลังเรนจะเตื่อนิดนึงมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเนื้อารบางคนไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันทุกคน แต่ละแต่าะค น, นี่บางบางคนก็ไม่ถูกกับการอด อ, อาหารก็มีอดไปแล้วมันคุ้งซ่ามันคิดแต่เรื่องอาหารภาวนาไม่ไ ม, ไม่ได้อดไปก็ไม่เกิดประโยชน์บางคนอาจจะต้องไปอยู่ที่กลัวๆแทนอาจจะได้ผลดีไปชอบอยู่ป่าช้าก็มีนั้นจริตแต่ละคนนี้ก็ต้องสังเกตดววูว่าเหมาะกับวิธีอุบายการปฏิบัติ อย่างไรก็เอาอย่างนั้นนี้พอดีไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านท่านถนัดทางออาหารท่านก็เน้นทางนี้แล้วพอดีลองปฏิบัติดูก็เห็นว่าได้ผลพอไปได้เราก็ใช้วิธีนั้นถ้าเกิดไปอยู่กับพระอาจารย์ที่ท่านแน่ๆไปอยู่ป่าช้าก็คงจะต้องไปอยู่ป่าช้ากันหรือว่าถ้าท่านแน่แนมีฤาษีสาธิกถ้าอาจะให้ลงมานั่งสมาธิที่ศาลากัน ทุกวัาพระหรือทุกคนืนี่ก็ต้องลงมาปฏิบัติกันครบาอาจารย์ท่านก็มีมีมี ม, มีมีส่วนในการที่จะชักจูงแต่ละองค์ท่านกม็มีมีอุบายแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกันใ น, นเวลาที่ไปแสวงหาครูบาอาจารย์บางทีเราก็อาจจะไม่ถูกกับพระอาจารย์รูปนี้อาจจะถูกกับพระอาจารย์รูปหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้สำคัญเสียหายอย่างไรเห็นครับปีนี้ท่านที่นี่ตักมาแทววันที่เท่าไหร่คะัวันออกพัรษาวันที่สิบี่วันออกาเป็นส5บห้า่ะวันที่สิบห้าวันขึ้นสิบห้าช่ะ พอเราจะตากกรอนวันของผู้ที่อื่นครัหนึ่งวันมันก็เป็นสิบสี่แล้วคะเพราะว่าสิบสี่ยังไม่ออกพาเขาเรียกวันวันปวานาวันสิบห้าคำาไหมครัอาจเอายุติสิบห้าคำเป็นหลักแล้วกันตักตักวันสิบห้าคำคือคสิบสี่สิบี่็นมอนี่สิบสี่ใช่สิบสี่สิสี่ท่ากจะตักกิมมงค่ะธรรมดาถ้าถ้าจะลงถ้าจะขึ้นไปรวมกันที่บนเขาพระพุทธบาทจะเริ่ม แล้วก็เริ่มเดินลงมาประมาณสักหกโมงครึ่นะหมงครึ่งเลครับเราต้งใช้รถบัแล้ววันนั้นท่านอาจารย์บินไปตุบาลไหมครับก็บินไปท่านบินตรงนั้นแต่ไม่ได้ออกไปที่บ้านเผครับก็จะเดินจากขบวนดถลงมาแล้วก็เดินมาตามถนนจนถึงศาลาครัก็จะมีคนดักสากาอ๋อระหว่างทางให้ระวังกานหรือบางทีก็ไปเขาจะไปออกันอยู่ที่หน้าศาลาพราะเก้มาสายกันเพราะกว่าจะไปถึงศาลาก็ประมาณบ่าย โมงครึ่งแล้วแต่สองโมงหูตักข้าวจากบนเขากี่โมงงครึกมครึ่งไงเขาก็เวาดข้าอย่างเดียวสิบสี่ก็ของแห้งตามของแห้งก็เป็นอาหารสดพวกข้าวเอาไปถวายบนสระเขามีต้องให้เรื่องทีเราก็ขับรถมาแล้วล้วก็จอดแล้วเราก็ขึ้นสละ ไม่หมายถึงว่าบางทีเราก็อาวางถือมีโต๊ะเอามาสร้างถนนอะไรอย่างเงี้ยบางท่านเขาก็เปิดเปิดตู้เปิดรถของท้าแล้วก็หยิดจากภายในร่อนมาใส่กระดาของแห้งเบาๆนจของกระป๋องหมดกองแห้งก็จะพ่อจะใส่บาตก็พวกของแห้งอย่างเง้แล้วก็ก็มีซี่นี่เขาจะมีเขาจะข้าวต้มัด ข้าต้มาที่มันเป็นข้าต้มหางขาต้องข้าโยมเขาเรกของยนนะลูกโยนลูกโยนแต่ของใหญ่เด็กบานของพวกน้ส่วนใหญ่พระก็จะไม่ได้ชันกันนะพระถ้าจไปทิศลาแล้วก็ก็ก็จะไปรับอาหารสดอีกทีอย่างที่ยังญาติโยมหมนเดินตอนเช้าแต่วันนั้นคนมันจะแน่นล้นตลารา แล้วก็อาหารก็จะไม่มีพภาพระไม่ได้ไปบินรบาดข้างนอกอาหารก็จะมีอาหารของญาติโยมที่เอามาถวายเรามีเหลือเท่าไหร่ก็มีเหลือเท่านั้นแต่อย่างวันนี้เราพระเร า, พาออกไปบินระบาดข้างนอกด้วยก็มีอาหารที่เราได้มานบินรบาดก็เอามาไว้ที่ศาลาญาติโยมก็จะได้รับส่วนนี้ด้วย แ mm hmm. ต uh ่ถ huh. ้าวันตักบาตรเทวก็จะไม่มีอาหารสดส่วนนี้เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่บิณฑบาตก็จะเป็นอาหารแห้งเขาก็จะไปรวมกองไว้ที่เลยแล้วก็จะไปแยกแยะเอาไปแจกจ่ายต่อไปเป็นวันสิบห้าค่ำก็แล้วกัสิบห้าคเป็นที่สิบสี่ตุลาไม่ใช่ปกติวันตักบาตรเทวจริงเขาตักแลมหนึ่งค่ำเพราะต้องรอให้ออกพรรษาก่อนเพราะภรรษานี่จะจะจะหมด ตอนวันเช้ามืดของสว่างของวันของวันแรมหนึ่งคำแต่วันเช่นสุบห้าค่ำนี้ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาเป็นวันที่ก็เรียกว่าวันปวารณาเป็นวันที่พระภิกษุจะลงธรรมสังฆกรรมโดยปกติจะฟังพระปฏิโมกข์กันแต่วันนี้ท่านจะให้เป็นเป็นวันแสดงปวารณาแทนคือไม่ให้ฟังไม่ต้องฟังพระปฏิโมกข์ แต่ให้ประวานาตนคือหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ผู้ให้พระรูปอื่นตักเตือนว่าเ ก, ก่าตักเตือนได้ตั้งแต่พระเถระจนมาถึงพระบวชหมาแต่ละองค์ก็จะกล่าวว่ า, าข้าพเจ้ า, าถ้าข้าพเจ้าได้กระทำกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่น่าสงสัยก็ดีหรือเป็นที่ หนาตำหนิติเตียนก็นดีขอให้ท่านได้สวดโจอนาว่ากาลทักเตียนพระพุทเจ้าด้วยนี่คือความความแปลทุกองค์จะต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นพิธีกรรมไปมากกว่าว่ากาวแล้วพระรูปในกัมวัฏสาทุไม่มีไม่มีว่ากล่าวหนละังเตีไม่มีแต่โดย <c oughs> โด้ยหลักก็เพื่อให้รู้ว่าทุกรูปที่เราบวชเนี่ย ให้ให้ให้ให้ยินดีต่อการว่ากล่าวตักเตือนอย่าเป็นอยู่คนที่แตะต้องไม่ได้ไม่ว่าจะบวกมามากน้อยกี่พรซ้ายก็ตามแม้แต่พระผู้น้อยก็สามารถที่จะเตือนพระผู้ใหญ่ได้ถ้าถ้าผู้ใหญ่ทําในสิ่งที่เสียหายต่อเพราะการว่ากล่าวตักเตือนนี้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนนั่นงไม่ได้เป็นโทษอะไร ถ้าถ้าว่ากล่าวักเือนกันด้วยธรรมธรรมวินยัยคือพูดตามความจริงที่ที่เกิดขึ้นแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความความความเป็นธรรมคือไม่ถือทิฏฐิว่าฉันถูกฉันอะไรฉันทำได้แต่เธอทำไม่ได้นี่มันก็มันก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่โดยหลักของภาพปฏิบัตินี่เราจะถือว่า ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ตั้งแต่วันที่เราก้าวเข้าไปในวัดแล้วอนนวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเารอวันปวานาแล้วให้มาว่ากล่าวกักตือนมันไม่ทันเวลาเวลาเพรา <c oughs> ะเหตุ ก, การณ์มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาต้งว่ากล่าวตักเตือนกันอยู่ตลอดเ <c oughs> วลาหวงตว่ากล่าวตักเตือนตลอดอดแล้วพระเนที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยเตือนด้วยนะผ้าใหม่มานี่ทําะไรผิดนี้ผ้าเกล่าจะต้องคอยบอกกันออ ทำอย่างนี้ไม่ได้นะท่านทำางนี้ไม่ถูกนพูดเลยไม่ต้องเกรงใจกันอืถ้าบางรูปรับไม่ได้เขาก็เตรมบาทกออกไปไม่ได้อาจารย์คะเวลามีงานบุญแล้วรถติดที่ละแล้วไม่ได้ไปร่วมงานแต่ว่าได้ฝากได้การได้ยินไม่จะเท่ากันก็ได้เก้าสิบเก้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราตัวเราไม่ได้ไปเอ แต่จะได้ส่วนใหญ่พูดอย่างนั้นเถอะ แ, แต่ความจริงถ้าเราติดงานภาวนาเนี่ยสมมุติว่าเราภาวนาแล้วเราไม่ไปเนี่ยเราฝากเงินไปเนี่ยเราจะได้สองส่วนได้สองต่อคือเราได้เกสิบเก้าทางทางแต่เราได้ร้อยในทางภาวนาต้องอย่างนั้นนะักภาวนาเราจะรู้จักแยกแยะแล เนื่องจากว่าบุญส่วนนั้นสาคัญกว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช้ปัญญานี่ใจจะพวองว่าโอ้เราไม่ได้ไปทํำบุญสำคัญถ้านัภาวนาแล้วมันต้องแยกตวเองว่างานทางนี่มันยากกว่างานภาวนาเงี้ยงานทางนี่ก็เหมือนกับงานใช้ขวานใช้มีด่งานภาวนานี่กําลังใช้ใช้ใช้กบละใช้กบใช้ใช้อะไรใช้กระดาษทรายละงานละเอียดละถ้ามาเอาเอา เอาเอาจอบเอาเอามีดเอาขวานมามาทํางานมันก็เสียหมดพอเราพอภาวนานอยู่พอเรานมาทําทานปั๊บใจเราก็ฟุ้งขึ้นมาทันทีเพราะมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอุตส่าห์พยาพยามทํากิตให้สงบแทเป็นแทบตาย <c oughs> พอออกมาวันเดียวกลับไปมือหงายหายไปหมดเลยความสงบ <c oughs> น่าเหมือนกับกฐินไหมจ๊ะเหมือนกันกฐินก็เป็นทางเหมือนกัน กระถิ่นผ้ป่า podemos, งานบุญงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในในขั้นทานทั้งนั้นทำได้เราทำได้โดยที่เรามีมีเราฝากปัจจัยการคลายไปเข้าไปก็ได้หรือส่งไปก่อนก็ได้ค่ะำสังฆทานเนี่ยกับกระถิ่นี้ภาพป่าหรือผ้าเกียมอะไรไหมคะ มันอยู่ที่ว่าทำมากังน้อยมากกว่าว่าจะเป็นสังฆทานนี้เคยก็ทิ้งมันก็เป็นสังฆทานอย่างนี้พาะ่าก็เป็นสังฆทานอย่างนี้คำว่าสังฆทานนี่แาลว่าเป็นทานที่เราให้กับสงฆ์เราไม่ได้ให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดเราให้เป็นส่วนกลางเป็นสมบัติของวัดของศาสนาไม่ได้ให้เป็นสมบัติของหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาองนั้นองนี้คือ ความหมายคือพระเจ้าต้องการให้ให้ให้ใหใหาศาสนาอยู่ได้ถ้าเราทํากับภรพลุ่มอย่างรูปใดแล้วท่านเกิดมีกิเลสเนี่ยท่านก็จะห่วงทล้วท่านก็จะไม่ให้ภาพลุ่อื่นใช้หรือบางทีท่านก็เอาไปแจกจ่ายลูกหลานของท่านแทนอย่างนี้าศาสนาก็ภาพรูปอื่นเมื่อขาดขาดปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตท่านก็จะอยู่อยู่ในาศาสนาไม่ได้แต่ถ้าเราถวายเป็นของส่วนกลางนี่ พระเจว่าจะเอาไปให้ลูกหลานก็ไม่ได้อยาไปให้คนนั้นคนนี้ตามใจชอบของตนเองก็ไม่ได้ถ้าจะเอาไปก็ต้องขออนุญาตสงฆ์ก่อนถ้าถ้าสงฆ์คือพระทั้งทั้งทั้งวัดนี้อนุโมทนายินยอมก็ถึงจะเอาไปได้นี่คือความหมายของสารทาไม่ได้เป็นสมบัติส่วนส่วนตัวเป็นสมบัติส่วนกลาง ไม่ได้หมายความว่าส mm ังฆทานจะต้องมีกระแป้งสีเหลืองเหลืองมีของแต่ละชิ้นมีกระป๋องปลากระองหนึ่งอันอันนี้ไม่ใช่สังฆทานอันนี้สม่๊คืออันนี้สองทางใจเรามันเท่ากันเราเสียเท่ากันเราเสียร้อยหนึ่งเท่ากัน แต่ประโยชน์ที่จะเกิดจากการให้บุคคลหนึ่งกับส่วนรวมนี่มันอาจจะต่างกันเพราะว่าศาสนานจะอยู่ได้อยู่ได้ด้วยส่วนส่วนรวมที่เวลาจะบวชพระนี่จะต้องมีพระอย่างตามสิบรูปขึ้นไปถึงจะบวชได้ถ้ามีพระรูปเดียวสมมติว่าทั้งวันนี้ถวายแต่พระรูปนี้รูปเดียวพระเลยไม่ถวายเลยพระเลยก็สึกกันไม่บวชก็รลยพระรูปนี้นี่เดียวนี้รูปนี้ก็เวลาถึงจะบวชให้ใครก็บวชไม่ได้ พอพระรูปนี้ตายไปก็ศาสนา ก, ก็หมดไปไม่มีพระที่จะมาสืบทอดศาสนาต่อกันนี่คือความหมายตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับไปเยี่ยมที่พระราชวังตอนที่หลังจากตัดสรุปแล้ว ก, ก็ทางในวังก็มาอาราธนาไปพอไปถึงพร ะ, พระนางอะไรประชาบดีโคตรมีที่เป็นแม่เลี้ยงก็มีความปัดศาสนาที่จะถวายผ้าจีวร ท, ที่เธอได้ตัดเย็บเองมาถวายให้กับพระพุทธเจ้า ถวายถึงสามครั้งพระวิทยากรส่งปฏิเสธทั้งสามคงว่าเธอาไปถวายสูงดีกว่าแ ล, แล้วก็ส่งตัดไว้ว่าศาสนาจะได้อยู่ครบห้าพันปีนี mm ่ hmm. ก็คือความหมายของการให้ถวายสามครั้งาา mm hmm. แต่บุญที่เกิดจากในใจของเรานี่มันเท่ากันเพราะว่าเราเสียสละเท่ากันเราเสียสละร้อยมันก็ได้ 100, mm hmm. ร้อยเสียสละพันเราก็ได้พัน จร่งแต่ว่าสิ่งที่เราไปถวายนี่จะถวายในรูปแบบใดนั้นะมันขึ้นอยู่กับความจาเป็นเช่นถ้าแตงซีฟันมันเยอะแล้วยาวีฟันมันเยอะแล้วต่มันขาดสบู่เนี่ยเราก็ถวายสบู่อย่างเดียวนี่ก็ได้มันก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาิจานาดูความเหมาะสมว่าสิ่งที่เราจะไปให้เขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาจาเป็นอะไร อย่าไปให้ซ้ํซ้ซากซากเพราว่าถวายผ้าไตายดีก็ผ้าตายถวายกันทุกคนเลย<อ>เงินมันล้นตู้ล้นสาราเลยมันมันใช้เหตุผล<อเ>แต่ด้วยหลักใหญ่ก็คือการทําทานนี้ประโยชน์กับเราก็คือเพื่อปล่อยวางอย่างที่เมันไม่ให้เรายึดติดไม่เราห่วงไม่ให้เราไปห่วงไม่ให้ไปกังวลกับสม บ, บัติที่มันไม่มีความจําเป็นกับเรา เพราะนั่นเองให้เอาไปให้มันเอาไปจากความรับผิดชอบของเราเราจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษา mm hmm. แล้วก็จะทำให้ใจเราเบาเราโน่มเรามีความสุขขึ้น mm hmm. ให้กับใครก็ได้ถ้าให้แล้วเกิดประโยชน์มันก็เป็นความเราก็มีความสุขใจเหมือนกันให้กับคนชราให้กับเด็กพิการ ให้กับสุนักจรจัดให้กับนักโทษในเรือนจำมันก็มันก็ได้ความสุขในใจเราก็ได้เหมือนกันเพราะเราเราให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็กลับมาหาเราแต่ประโยชน์ของผู้ที่รับนี่เขาจะทาประโยชน์ได้มากน้อยต่างกันคนดีก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ไม่ดีก็ทำประโยชน์ได้น้อยกว่าและอาจจะทำโทษเช่นถ้าเราไปช่วยพวกโจรยงนี้ เลือกคนไม่ดีมาเป็นผู้ปกครองประเทศเราอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนกับเราไปทําทานกับพวกโจรเพื่อให้พวกโจรมาปพ้นบ้านเราาจะได้มีมีอํานาจมีกําลังมังชาที่จะมาปพ้นบ้านเราแต่ถ้าเราไปช่วยคนดีมามาดูแลรักษาบ้านเราเขาก็จะปกป้องทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองของเราให้อยู่กับพวกเราไป กินหรือขอานให้ลูกนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับรองไม่ได้เลยนะถ้าเขาตายไปเขาก็จะได้ส่วนหนึ่งที่เราทิ้ไปแต่เป็นส่วนที่เราให้ขอทานเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเ้าก็ไม่ได้เลยต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ได้ให้ทำแทนให้เขาถ้าเป็นเงินของเขาเขาก็ได้ถ้าเป็นเงินของเราเราทําแทนเขาก็ไม่ได้เหมือนเรากินข้าวแทนเขา เขียนทวรสอบไปบอกลูกว่านี่แม่กินอาหารแทนลูกแล้วไม่หิยชกินอาหารไทยทั้งนไม่มีอาหารทยองไม่หิวม่เด็กถ้าบอกเขาอนุโมทนาที่สิงทบอกเขาอนุโมทนาเขาจะได้เขาจะได้ส่วนที่เป็นอนุโมทนาคืใจเขาไม่ดีไม่ตะกีดจะของใจไม่เสียดายคือบางทีบางคนเสียดายเงินทางทางคนอื่นเข้าไง ทัางทั้งที่ไม่ใช่งเงินของตัวเองแต่ตัวเองไม่ชอบทําบุญเพราะคนอื่นทําบุญก็ไม่อยากไม่ยินดีเขาได้ดายแทนเขา <c oughs> เขาไปทําเองแลคะอยู่ที่เท็กซัสนะฮะเขาทําแล้วแต่เขาทขําไม่ค่อยเป็นงไงฮะเขาจะเรียกว่าอื้อเขาจะทำไ ม, ไม่ไม่ครบเป็นร้อยเอเซ็นต์ให้แม่ทําให้เราด้ว ย, วยเขาไม่เข้าใจว่าการทําบุญที่แท้จริงนั้นก็คือการให้ทานให้ขอทานแบบนี้ให้เราสละ รับสมบัติส่วนของเหล่านี้ให้กับผู้อืนไปไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรก็ได้ไม่ต้องมีพระมาสวดอนันโมทนาให้ก็ได้ของเหล่านี้มันเป็นผักชีโรยหน้าครันะอาจารย์ครับถ้าอย่างไ น, นกรณีที่ญาติแต่หมอรากราเงินเขาไปทำบุญใช่ไหมครับหพูดไปพี่ไปทำบุญแต่ก็จะได้บุญประมาณเก้าเกซนใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดลงไปก่อนเรายังไม่จ่ช่่ยม่ปวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้บ ยังไม่ได้จนกว่าเราจะใช่ไหมก็ได้ก็ไดยก็ได้ทางนั้นอ่ะเรือกาลงรุ่นลงหุ้นลมงมลงหุ้นลมไม่ไา้ันผลเนี่ยชถ้าเกิดรับเป็นรายก่อนนั้นเราก็ไม่ได้เราเป็นสองของของบุญนะมันเป็นหนี้ไข้รูจักก็กลัวตายเลถึงไม่ได้ใช้ อาจารย์คะอย่างกรณีของลูกของพี่เขาที่อยู่เท็กซัสเนี่ย<า>เขาทำทาน<า><า>ได้ไม่ปกติ จะใช้วิธีการทำบุญในการนั่งภาวนาแทนนี่ก็จะดีกว่าใช่ไหมครับตอนั้นเป็นบุญเ อ, ก, อ, ก, อกแบบนก็คือส่วนของด้านภาวนาแต่ไม่เป็นส่วนของทางของนเขาก็จะทำได้เฉพาะศีลกับภาวนาแต่ทานก็ไม่ได้ได้ก็ใครขอทานก็ได้ให้<อ>ให้ให้สภากาชาติที่สหรัฐ ก, ก็ได้<อ>ให้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่เขาทำประโยชน์ให้กับผู้หญิงก็ได้ เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ห่างจากศาสนาถูกไหมคะอ๋อไม่เหรอเราก็ได้ทําต่อเนื่องอยู่ศาสนาเราก็ไม่ได้แค่ว่าจะต้องทําแต่เฉพาะศาสนาเราคือให้ทํากับศาสนาเพราะเพื่อเราจะได้มีศาสนาอยู่เป็นคู่คู่ครองกับเราไปแต่ถ้าเมื่อศาสนาอยู่ได้แล้วเรามีส่วนเกินเราจะไปช่วยศาสนาอื่นก็ได้ช่วยคนอื่นก็ได้เพราะในบางประเทศก็ไม่มีวัดไทยอะไรอย่างนี้ ถ้าอยากยังไปทำวัดคิดนะคะได้ได้เราทําเราก็ได้เหมือนกันนะกูเดี๋ยวเกิดใไปฝักไฟาสนาศาสนา้าเราไม่เกี่ยวถ้าเราไม่เกี่ยวเราไม่เลยไปทําพราะเราฝักไฟเราเราอยากจะช่วยถ้เป็นทางแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปทํากับทางศาสนาอื่นเขาก็ได้เราไปทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับเด็กก็ได้เด็กพิการเด็กกำพร้า ก็มีมีองค์กรต่างๆองค์กรชาธางนะองค์สมต่างๆก็ได้ก็บอกว่มีศรัทธาขึ้นมาคือถ้าเราไปทํากับศาสนาอื่นบางทีเราก็อาจจะได้รับคําสอนของศาสนาอื่นมาแล้วเราก็อาจจะเกิดศรัทธาไปแต่ถ้าเกิดศาสนานั้นมไม่ไม่สอนตรงกับความจริงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหลนหน้าอ่า ถ้าเรามองจากข้อพุทธศาสนานี่เราจะมองว่าศาสนาพิเ น, เ ป, นเป็นศาสนาที่สอนตรงกับความจริงที่สุดที่พาไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงไปได้กันแต่ศาสนาอื่นนี้ไม่สามารถพาไปได้ท่านั่นเองแต่การจะไปทาบุญเพื่อผู้กับศาสนาอื่นก็ทําได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นบาปเปนกรรมแต่อย่าง้น เียงแต่ว่าเราก็ไปส่งเสริมศาสนานั้นช่วยศาสนานั้นให้เขาเจริญขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถทําหน้าที่ได้ในระดับหนึ่งคือแต่ไม่สามารถพาให้ผู้ที่นับถือศาสนานั้นไปถึงจุดหมายที่สูงสุดได้ส่วนศาสนาที่สามารถพาไปได้เรากับไม่สมมุติเราไม่มาทานุบำรุงศาสนานี้ก็จะไม่มีกําลังที่จะสอนให้เราไปถึงจุดหมายที่สูงสุดนั้นได้ ก็เหมือนกับเราสนับสนุนนักกีฬาที่ได้แเหรียญทองได้แเหรียญทองแดงเนี่ยเราไม่ไปสนับสนุนนักกีฬาที่จะได้เหรียญทองให้ให้ให้ทุ่มเวลากับเงินทองให้กับนักกีฬาที่อย่างมากความสามารถเขาได้แค่แค่เหรียญทองแดงแต่นักกีฬาที่เป็นเหรียญทองเรากลับไม่สนับสนุนเพราะเขาอาจจะไม่มีเส้นมีสายไม่ใช่เป็นลูกลูกของคนนั้นลูกของคนนี้ คนนี้แทนที่มันจะได้เหรียญทองก็อาจจะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับการสนับสนุสนในการที่จะฝึกซ้อมอะไรต่างๆเรื่อนี้นี่คือการเปรียบเทียบการที่เราจะสนับสนุนช่วยเหลือทครเนี่ยเราจึงอยากจะช่วยคนที่ดีที่สุดคนที่เก่งที่สุดเช่นข้าหลวงสอนข้าหบอกว่าถ้าทําบุญกับพระพุทธเจ้านี้ได้บุญมากที่สุดเพราะไม่มีใครจะเก่งเท่าพระพุทธเจ้าเราสนับสนุนนักกีฬาเหรียญทองเพราะเขาจะได้นําชื่อเสียงมาให้กับประเทศชาติของเรา ถ่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะสามารถสั่งสอนอบรมให้พวกเราหลุดพ้นจากการยินว่ายการเกอนได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ให้ได้ทำกับผ้ า, าหาันลงมาถ้าถ้าไม่มีผ้ า, าหาันก็ต้องทำกับผ้าเลียขั้นต่าลงมาแต่ทีนี้จะไม่ได้เหรียญทองอะจะได้เหรียญเงินไม่จะได้เหรียญทองแดงละ หรือถ้าไม่มีก็ตามคนนั้นอยู่เป็นพระที่ทรงสิลทรงแต่ไม่มีธรรมะอย่างน้อยท่านก็มีศีลท่านก็ยังท่านก็ยังไม่โกหกหลอกรวงไม่ไม่เอาเงินของเราไปใช้ผู้ย่ำผู้อยู่แล้วถ้าเกิดไปใช้กับพระที่ไม่มีศีลนี่ก็แย่และแทนที่จะเอามาเผยแผสส่ศาสนาก็เอาไปกินเหล้ากันหรือเอาไปเที่ยวทัวร์ที่นู่นทัวร์ที่นี่กันเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้ ก็มีนี้นะให้เขาแนะนำให้ลูกส่งเงินให้ลุตาเลยตรงจะดีกว่งนะก็อาจจะบอกเขาได้แต่เขาอยากจะทำหรือไมก็เรื่องของเขาเพราะมันเรื่องของศรัทธาเพราะว่าที่นี่มีวัดไทยอ่ะมาทำว่า บอกให้เขาเอาเครื่องชายกับอาหารเขาก็เอ็นทวายไปแต่เขาก็มีความรู้สึกเข้ามขาดเอขกระฟองเหลืองคือว่ายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสังกัชาเพราะวันที่พายด้านคือคือเขาเกิดแอุบิเหต์ก่อนคือช่วงวันเกิดเ้าเนี่ยเขาหาวัดไม่ได้ยังไม่ได้ทำสังรัชาแล้วปรากฏว่ารถบรรทุกคนมาชมรถเขาเตรมตัวเขาไม่เป็นไรเขาต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจเขาจะต้องไปทำสังกัชาให้ได้แล้วก็ไม่มีกระฟองเหลืองเลยว่คิดว่าอย่างนั้นนะ พ็เขาได้ถูกปกลูกฝังมาว่าสั ง, งกทางก็คือของเอก็ได้แล้วนะคะของถวายนี่จะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ที่ไม่ไม่ใช่เป็นพิษเป็นภัยเช่นเป็นสุรายามังหรือเป็นของอะไรต่างๆที่ไม่ไม่เหมาะกับสมมน า, าเพศก็ถวายได้มดแล้ววันไปทำเดี๋ยวมีสอง ก, กอลุ่มที่มาเนี่ยนะกลุ่มหนึงมาทํางานการศ คือทำบุญให้คนที่เสียที่ไม่ได้ต่เข้าไปก็ตั้งใจจะทําวันเกิดท่านตัวคนรั่วอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ละคนก็มีมีเหตุที่จะมาให้ทําต่างกันแต่การกระทํานี่ก็ทําแบบเดียวกันคือทําทานเหมือนกันแต่สาเหตุที่มาทํานี่ต่างกันไงคนมีวันเกิดเขาก็มาทําคนเขาคิดถึงพ่อเขาที่เสียไปครบรอบวันนี้เขาก็มาทําเหมือนกันก็ไม่เป็นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน ต่างคนก็ต่างทางไปแล้วแต่เหตุอันนั้นเป็นเพียงเหตุที่จะทำให้มาทําทานแต่ถ้าจะให้ได้เหตุที่ดีกว่าก็คือทําเพราะว่าเรามีมากเราไม่ควรเก็บเอาไว้ทําเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นทําเหมือนกับการทําทานนี่เหมือนกับการรับประทานอาหารให้กับกับจิตใจควรจะทําอย่างนั้นมากกว่า อย่ารอเฉพาะวันเกิดหรือวันตายบางคนบางคนนีเพราะเราใจมันจะอดตายไปเสีก่อนคุณเดินได้ยองกินข้าวเฉพาะวันเกิดแค่นั้นเองปีนี้กินวันเดียวนจะอยู่ได้หรือเปล่าใจมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจหารใจอบรมเข้าไปค่ะโอเคคืนเลย โอนี่เวลาผ่านไปเร็วนะสองคนก็มีคนถาปัญหากันเยอะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บไว้ส่วนที่รับมานี่จะใช้ประมาณแคกไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต้องการจริงไงยางอาหารเมื่อเช้าเนี่ยมันกินไม่ได้หมดหรอกที่ยาเโหว่อยากทํำเงินทำเงินใหญ่ทำหนุนเมื่อว่าก็รับรับกันไปแต่คือเราอย่าไปกังวลเราทําเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อตัวเรา เือให้อาหารกัดจิตใจของเราเราให้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีส่วนคนรับนี่เขาเก็บไว้เขาก็เดือดร้อนเขาเองเขาเก็บไว้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็เสียไปเรากเปถ้าเขาไปทําเขาไปให้ต่อเขาก็ได้บุญต่อที่แล้ก็ของไม่เสียหายหรอกถ้าถ้าเราให้กับคนที่เขารู้จักให้เขาไม่เก็บไว้เขาก็จะไปทําประโยชน์ต่ออย่างทุกบาททุกสตางค์ที่เราถวายหลวงตาท่านก็ไปทําประโยชน์ท่านไม่เก็บไว้ ดังนัเราอย่าไปกัวงวลเกี่ยวว่าโอยจะทํากับพระองค์นี้พระดีแต่พระท่านได้เยอะแล้วก่อนก็ไม่อหากจะทําพระที่ไม่พระที่ไม่มีใครทําเลยก็ท่านก็ไม่ดีก็ไม่อยากจะทำ ก, ก็เลยไม่ได้ทําสักทีเหมือนกับกินอาหารเนี่ยไปไปร้านอาหารที่อร่อย <c oughs> ก็คนแน่นร้าน <c oughs> ก็เข้าไปไม่ได้ก็ไม่ได้กิน ไปกินร้านที่คนว่างๆไม่มีคนกินก็ไม่อร่อย <c oughs> ก็ไม่อยากกินอีก <c oughs> ก็อดตาย <c oughs> นั้นอย่าให้เหตุเหล่านี้มันมันเป็นตัวที่มากำหนดการทำบุญของเราขอให้เราทำบุญไปวิธีทำบุญง่ายที่สุดก็คือถ้าเรารู้ว่าพระท่านผู้ที่รับนี้ท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์หรอเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่โลภไม่ไม่หลงเราถวายปัจจัยให้ท่านก็ได้ง่ายที่สุดแล้วท่านก็จะเอาไปทาประโยชน์ให้กับเราต่อไป แต่ถ้าเราก็ถวายเงินปัจจัยกับพระที่ท่านยังมีกิเลสอย่างนี้ก็อาจจะเป็นโทษกับท่านได้เพราะะฉนั้นที่ท่านเอาไปทําประโยชน์ท่านก็อาจจะเอาไปใช้เป็นเป็นโทษกับตัวท่านเองก็ได้เช่นเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยไปไปพอได้เงินมาก็เลยทัวร์เมืองนอกอยู่เรื่อย <c oughs> อย่างนี้มันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านท่านท่านเอาไปทําประโยชน์เช่นไปช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยตามสถานที่สาธารนณะ กต่างๆอร น, นี้ก็ก็การถวายปัจจัยนี้มันก็จะสะดวกที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรเงินนี้จะสามารถที่จะเอาไปซื้อในสิ่งที่เขาขาดใครได้การถวายเงินมันก็ต้องระมัดระวังบ้างว่าเราถวายให้กับใครเป็นคนที่เราเชื่อใจได้หรือเปล่าว่าท่านเขาจะเอาเงินนี้ไปทาให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่น แต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ถวายเป็นของฟปเห็นว่าท่านกวนเช่นถวายยาถวายอะไรไปก็ถวายไปก็ ไ, ได้แต่อย่าไปให้รอเวลาว่ารอ้อยท่านไม่มีก่อนแล้วเราค่อยถวาย <c oughs> เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้บุญ <c oughs> เราจะไม่ได้บุญท <c oughs> ่านอาจารย์คือช่วยลูกไม่ทราบเป็นอะไรปันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วบอกนะคะ อย่างโยมแม่ตาเสียไปตั้งนานแล้วก็ฝันแล้วก็พี่เคยซึ่งภรรยาเขาเองก็ไม่เคยฝันเลยที่เสียไปรูปก็ฝันถึงเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่จากกันไปตั้งนานแล้วก็ฝันถึงความไม่เที่ยงของของอารมณ์ของเราก็เป็นอย่างเงี้ยบาทีอารมณ์เราก็จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาก็คิดได้เก็ไม่ต้องไปกังวลว่าทําไมครับ คือความคิดถึงมันก็ไม่ได้เป็นเป็นโทษหรือเป็นคุณแต่อย่างใดอยู่ที่ว่าเราจะเอาความคิดถึงเรานี้มาทำประโยชน์ได้หรือไม่เช่นถ้าเราคิดถึงผู้ตายเราทำบุญแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญให้กับเขาไปมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและทั้งกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเกิดเขารอรับอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้รอรับอยู่เงินไอ้ส่วนที่เราอุทิศไปมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่ส่วนที่เราทำเราก็ได้ทั้งหมดปกติลูกจะใส่บาตรทุกเช้านะคะแล้วก็เวลาพ่ารบาตรแล้วก็จะอุทิศบุญทันทีเลยแต่ไม่ได้กดกดน้ำาจะกดได้ใจถ้าว่าอุทิศบุญก็คือการกดน้ำนี<ม>่แหละการกดน้ำนี่เป็นเพียงการสาธิตในว่าบุญนี้เป็นเหมือนน้ำเหมือนกระแสน้า เวลาเราทําบุญแล้วเราก็เทาน้ำนี่กค่เราเหมือก็ว่าเอากระแสาน้ํานี่มามาเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่านี่คือกระแสบุญเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองจะกลัวแห้งก็ได้กวลกวกวักวเปลียกก็ได้ก็สําคัญเขาให้จิตใจเรามีทานมีกุศล <c oughs> เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วเราก็อดทิศส่วนส่วนนั้นไปพอดีช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ คิดจะผ่านหลังนะคะยังเกลียดคุณแล้วเราบอกสงสัยจะผ่านไม่ได้มัราเนี่ยมีแต่คนเสียชีวิตมาหาอยู่เรื่อยเลยเกิดไฟอะไรไม่เกี่ยวกันห ร, ร่ะ <c oughs> เรื่องความฝันของเราเนี่ถ้าเกิดเราฝันดีๆฝันว่าเราจะต้องหา ย, ยาถ้าเกิดไปผ่ามันไม่หายไเกีั <c oughs> นะ น, ะนะถ้าเราพิจารณาความตาตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นคนละเรื่องกัน เรื่องความคิดก็อย่างหนึงเรื่องของความจริงมันก็อย่างอย่างเราอย่าไประโยคมันเข้ามาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่เกี่ยวอะไรหาจะหายไม่หายก็อยู่ที่หมอแล้วอยู่ที่โรคว่าใครจะเก่งกว่ากันถ้าโรคเก่งกว่าหมอมันก็ไม่หายถ้าหมอเก่งกว่าโรคมันก็หายมันอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราฝันถึงเรื่องอะไรหรือไม่ฝันถึงเรื่องอะไรมันคนละเรื่องกัน จะเกี่ยวกับพิบัตกรรบ้างไม่ใช่ะจับางครั้งพ่เกียมอ๋อทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของพิบาัตรนะเนี่ยแต่มันก็ไม่คำว่าทุกอย่างก็ไม่เชิ่ว่าทุกอย่างบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของของอะไรของความบังเอิญก็ได้ของเหตุการณ์ของทางที่มันมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันะเช่นเดินไปแล้วลูกมะพร้าวหล่นมาทับศีรษะเราอย่างนี้ มันจะว่าเป็นกรรมก็กรรมตรงที่เราเดินไปหามันเถ้าเราไม่เดินไปตรงนั้นมันก็มันก็จะไม่โดนมันแต่มันตรงนั้นก็บางทีก็จะพูดว่าเป็นกรรมเลยเสียทีเดียวมันก็ไม่ได้ไปหมดแต่จะว่ามันเป็นกรรมก็ได้เพื่อความสบายใจอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นผลดีบาปแล้วลกันของการกระทําบาปกรรมของเรามา เราไม่อยากจะได้ประสบกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็อยากจะทําบาปมิบากมันก็จะไม่มีตามมาเรื่องอาจารย์จะเรถามเรื่อถวายของค่ะทีนเรื่ถวายของท่านอาจารย์ะะกไย็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะเป็นอะไรนี้นะคะก็ใช้ที่สังเกตอะไรเงี้ยค่ะว่าท่านอาจารย์ใช้อะไรหรือเปล่าในกรณีที่เท้าเกิดว่าอาจารย์จะเป็นจะใช้เนี่ย น, นะคะท่านอาจารย์สามารถจะใช้พกตะเกียบืออะไร ไ, ไ, ได้นะคะจะได้ข ไม่ไม่เป็นปัญหาเรื่องปัจจัยสีนี้เองสบายใจได้ว่ามีมีเกินความจําเป็นเพราะว่าถ้ากลาวเปลี่ยนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่มีก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าต้องการก็จะบอกให้นก็เลยต้องใช้สังเกตว่าท่านอาจารย์สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีที่เราไปเยเมก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรความจริงการสังเกตก็ดีเพราะว่ามันก็บางทีพาะท่านก็ บอว่าทก็ไม่อยากจะพูดมากถึงเขาเรื่องอรแบนี้ถ้าเราเราสังเกตดูแลเราเราเราเราเราก็ได้ปัญญาได้ได้เป็นคนที่รู้จักคิดเป็นดีกว่าดีกว <c oughs> ่าคือเราจะให้อะไรกับใครบางทีเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราไม่อยากจะเสี ย, จยใจภายหลังหรือ <c oughs> ว่าเราไม่อยากจะให้สิ่งที่ให้ไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เราก็ต้องคิดกัน เพราะถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์เราก็จะมีความสุขมีชั้นี้แล้วนะขะพียะท้าวเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะเอโตจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสภเพปุรนตุจังกะปาจันทูปนะรโสยถามิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัจจัตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีทีขาโกภวะ อาภีวะธนะสลิกสะมิจ <BB> จ <EN> ังมุท่าปจายโนจัตารโอธรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลั